เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบ้านผู้ฝ่ายทำทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งมาสนทนาธรรมฐานตอบคำถามต่างเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสีงภาวนาเราก็จะไล่ไปตามลำดับของผู้ที่เข้ามาก่อนหนึ่งลำดับแรกก็คือคุณหมอพี่เชนคุณหมอพี่เชนจากก็ทรามวัดกรมนิมิตการพระอาจารย์ครับ ช่วงนี้ยมได้มีโอกาสอยู่บ้านคนเดียวสิบวันครับจึงตั้งใจที่จะรักษาศีลแปดตลอดทั้งสิบวันครับพระอาจารย์แล้วก็จำมันเจริญสติสมาธิตลอดทั้งวันสลับกับเจริญปัญญาด้วยการฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ครับแล้วก็จเจริ อ, อยู่คนเดียวรักษารักษาง่ายหน่อยครับอาจารย์แล้วถ้าเราตัด ทำรูปเสีงกีดล็ได้ทำชอบทีวีมิธีอยอะไรต่างๆนี้นอกจากถ้ามีความจาเป็นยังต้องติดตามข่าวสารถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปดูมัก็ดีจำ <Yeah. S 1> นวนตาของจมูก น, นิ่งกายไม่รับรู้เรื่องราวต่างพอรับรู้แล้วมันก็อดที่จะไปคิดปุ่งแต่งไม่ได้ อันนี้ก็แล้วแต่ความเข้มข้นของการปฏิบัตินะต้องพิจารณาองนะทำการความเข้มขนนน้นขนาดไหนหมั่นจลาสติเดิจนจงกรมนั่งสมาธิไม่ต้องทาอะไรแล้วเอาเอานี่ยสองอย่างนี้สติกับสมาธิห่อนมาปัญญาบ้างก็ได้ถแต่ถ้ามันยังเป็นยาก่อยควบุมหยุดความคิดไปเรื่อยๆก่อน ให้มันเข้าสมาธิให้ได้ให้เข้าได้บ่อยเข้าได้นานเข้าได้ง่ายมํนนานาญแล้วแบนี้เมาศึกษาร่างกายคุณบอกว่าคงจะเห็นได้ว่าร่างกายแก่เจ็บตายดื่มน้ําลงไปรางสุภาพไม่สวยงามตามลักษณะของร่างกายที่น้องสอนใจให้เห็น ย่อมีอะไรจะถามไหมกลับเลยพระอาจารย์แล้วก็จะน้อมนำไปปฏิบัติคับพรอาจารย์โอเคถึงคุณนนพัฒน์จากบวรราชธานีกลับนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ลูกเข้ามากราบแล้วร่วมรับฟังค่ะไม่มีคําถามค่ะอคุณสาธิกาจากชายนาฏพระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันแล้วก็มาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วก็ แฟน่ะลาออกจากงานแล้วส่งไปเมื่อวันจันทร์พอแล้วพอแล้วเขาเดีย๋ยวเรามาปฏิบัติธรรมนั่งกันก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ไม่ไอ้นั่นไม่ไม่ลูกก็แค่แบบยังยังไม่อะไรแต่เขาอะแค่เบื่อเบื่อแล้วก็บอกว่าแต่เขาก็พูดมาว่าเอ๊ะไม่รู้จะพูดปิดหรือพูดถูกจริงจอ่งอะ ที่เราคิดกันไว้อค่ะอาจารย์ก็คือเขาอ่ะแข่งไว้ตั้งนานแล้แต่ว่าลูกอะ่ะโดยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยอะไรแล้วก็มีภาระแม่ทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบเบกเบกแล้วทีเนี้ยพอมาปฏิบัติอะลูกก็แบบฟังแล้วลูกก็คิดว่าก็แล้วแต่เขาให้เขาตัดสินใจทีนี้แล้วเขาก็ยังอายุน้อยแล้วเขาก็บอกว่าเขา่ก็โลกเยอะเพราะว่าตระกูลเขาอ่ะตายไว ความดันขัดมานมันเ็งอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยเออลูกก็เลยแบบแต่สินใจว่าเออจะออกก็ออกให้เขาอนั้นแล้วก็เผื่อเดี๋ยวจะค่อยๆมาเขาก็อบอกว่าถ้าเราไม่ออกตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็มันเหมือนเป็นอะไรนะเออไม่เที่ยงเดี๋ยวหกสิบอ่ะเขาก็ต้องบีบให้เราออกอยู่ดีช้าเร็วก็ต้องออกลูกก็เลยแบบอืเอาก็ฟังตามมาเหมือนกัน ลูกก็เลยเออเดี๋ยวค่อยๆว่าลูกว่าว่าด้วยด้วยด้วยไอ้นั่นน่ะลูกว่าเขาไม่ค่อยมีภาวะเครียดนะพระอาจารย์เขาไม่ได้ฝึกแต่เขาตัดได้ไวเนะพระอาจารย์ก็ดีทีนี้เขาอยู่เขาไปทํางานเขาจะอยู่บ้านแล้วก็เจอเขาบ่อยขึ้นจะชวนกันไว้เลยกลัวว่าที่ฝึกมานี่จะไหวเลยเนี่ยแต่ปกติอะค่ะพระอาจารย์ ถ้าเขาอยู่อย่างนี้นะคะ่ะเขาก็จะไล่ให้ลูกไปอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยให้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่ในห้องแต่เขาก็ถามลูกว่าถ้าเขาออกอ่ะลูกจะทํำยังไงลูกก็ลูกก็ว่าที่ฟันจะปรึกษาน็คือเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยลูกก็พอแล้วก็ลูกก็บอกว่าลูกก็จะไปปีกวิเวกบนเขาบ่อยๆเขาให้เขา <c oughs> เฝ้ร้านแทนนะ ได้โอกาสก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันลูกก็ว่ามันก็เลยตัดสินใจแบบลูกก็บอกเออเธอก็อยู่ไปแล้วก็ถ้าเธอแบบว่าปกติเขาไม่ใช่คนเที่ยวไม่ใช่คนอะไรอยู่แล้วเราฝากอาจารย์อืเออแต่เขาแค่ว่าชอบดูบอลแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะอาจารย์แค่ดูแบบธรรมดาของผู้ชายอย่างนี้ค่ะลูกก็เลยว่า ถ้าม่งั้นน่ะถ้าเจอนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ถ้าเขาเห็นเราเลื่อยๆอ่ะเขาก็คงเขาคงอันนั้นเองแต่ลูกก็แบบไม่ได้เหมือนกันที่ระอาจารย์บอกรู้ว่าแค่ว่าอย่างไปอะค่ะที่แต่ก่อนเนี้ยเขาอะไม่ค่อยชอบไปวดัดเพราะว่าเขาอะเคยบวชแล้วเขาเห็นสภาพวัดตามพวก่บบเนี้ยค่ะเขาไม่ค่อยศรัทธาก็บอกเก๋ ay, มันไม่ใช่ที่อย่างที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเคยเคยบวช ทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็ไปดูที่ที่ที่ลูกไปเนี่ยแหละที่ลูกไปวัดอย่างเงี้ยเขาก็ตามไปที่วัดปร า, ารย์เขาก็โอเคแล้วก็ที่ไปที่เขาเนี่ยเขาก็โอเคลูกก็เลยว่าแบบเดี๋ยวก็ค่อยๆลูกก็แค่แค่ดึงเขาไปฟังทำก่อนไปทําทานอะไรอย่างเงี้ยค mm ่ะ hmm. แต่เขาทําทานเลื่อยอยู่ในพอาจารย์อือสวัสดีสวัสดี เพราะว่าเขาตเอาเป็นคนชอบทำกับคนโจรหรือว่าทำกับแบบพวกเด็กอย่างเงี้ยค่ะพวกเด็กนักเรียนที่ทุนอย่างเงี้ยก็จะคนละแนวแต่การประมานอธีการนีมีอะไรไหมคะไม่มีอ่อยานค่ะจะฝึกไปเรื่อยๆกับประจานค่ะที่ได้มีข้อสอบอยู่ใกล้หน่อยนะมีคู่ชอบอ่ะ ใช่นั่นแหละใช่ทดสอบดูว่ายอมหยุดเย็นมาหรือเปล่ามา่พระอาจารย์เพราะปกติลูกเป็นคนปี๊ดแตกมากเลยลูกกวอยอมหยุดเย็นนะจำจำ 3-3 ยอ่อสูตรยอ่อใช่ใช่จะพยายามพระอาจารย์ที่ฝ <c oughs> <c oughs> ึกมาทั้ ง, งหมดแหละโอเค <c oughs> ไปที่จำแนกกับแัดที่มกกว่าเสครับแล้วมาเสกันพระอาจารย์ <c oughs> อยางที่พระอาจารย์ว่าของวันนี้มาส่งกันวันมงคลสุรค่ะอ่าข้อไหนแล้วตอนนี้ข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหกคอครับสี่ข้อเลยนะนี้อ่าว่ามาห้าขครับคราบครับอ่าวามาาโจะนิวาโจะสันตุทีจะกักตั้ยุตตา กาเลนะทั้มัสสวาวณนางเอตามังคามุตตมังการมีความเค้าโลกการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการมีความสันโดษการมีความกตันอยู่และการทางตามการทั้งห้าประการนี้เป็นมงคลสูงสุดอเข้าใจไหมเข้าใจครับเอาละเรามาให้ฟังเนี่ ก็คือการมีความเคารพครับก็คือแบบการเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณครับอผู้ที่เขาใหญ่กับเราแล้วเราเคารพเขานะครับน้อ ง, น, องน้องชั้นที่เราเคารพพี่จามัทนะครับพี่จามัทก็ต้องเมตตานเราครั บ, รบไอ้ไอภัน้องทอําอะไรผิดก็อย่าไปโกรธนะ โอเคค้อต่อไปการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับอก็คือแบบเรายังเด็กอยู่ครับเราไปเจอใครเราก็ก็ต้องไหว้เขาครับไม่เป็นไรเฉพาะตอนที่เราเด็กเราเราโตเราก็ยังต้ออ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เหมือนกันเห็นได้เราเพียงแต่ไม่ไหว้เขาแต่เราก็ถ้าเราทาไม่ไหว้คนที่เขาอ่อนกับเราแต่ แต่แล้วก็ให้เราก็อ่อนโยนกับเขาเราเราไม่ถือตัวว่าเราเราใหญ่กว่าเขาแก่กว่เขาอะไรแบบัี้เข้าใจค่ะเพเราเป็นพี่กับกับน้องนี่เราอย่าไปถือว่าฉันเป็นพี่เธอต้อ ง, อง เ, เป็นเธอต้องเราต้องอ่อนน้อมทําตัวเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนน้องแยตตี้แยตตี้ก็ทําตัวเหมือนน้องน้องจำได้เป็นเป็นน้องกันด้วยกันน้องคู่ ดีไหมครับนันเย่ครับกอต่อไปการมีความสันโดษครับก็คือการพอใจในสิ่งที่เรามีครับอ่าพอใจสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ครับได้มากได้น้อยก็ไม่ บ, มบวดเวลาพ่อแม่ซื้ออะไรให้ให้อะไรมาเท่าไหร่ก็โอ้ไม่พอไม่ดีเลยไม่ได้ได้เลยมาแล้วขอบคุณครับ ยินดี<ะ>อยากจูจี้จุกจิกเขา้าใจไหมพอซื้อนีม่มาบอกไม่เ่าอยากจะได้นู่นอย่างนี้นเลยว่าไม่ไม่ไม่ไมสัมโดนครั บ, รบต่อมาการมีความกระตันยูครับก็คือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณครับคบือกระตันยูนี่แปลว่าการมีความความรู้ รู้คุณของผู้ที่มีพระคุณก่อนที่เราจะตอบแทนบุญคุณเราต้องรู้ก่อนเราต้องจำจาทรกคนของเขาให้ได้เขาทำอะไรให้กับเราแม้แต่ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ถ้าเขาทำอะไรให้กับเราช่วยเราในเราต้องจดจำไว้อย่าลืมบุญคุณของคนอย่าไปเถืองป็นเรื่องเล็ก น, น้อ ย, อยโคตเจ้าเคยถามพระมีชายคนหน อยากจะมาบวชก็ถามดูว่าชายวันนี้มีพระคุณกับศาสนาบ้างไหมก็สจะเป็นพระสาวิตริบบอกต่มีครับท่านเคยใส่บาตรให้ผมหนึ่งช้อนเนี่ยแต่เพียงใส่บาตรให้ช้อนเดียวมาถือเป็นพระคุณนะังอย่าลืมคุณของคนนะอันเป็นอังขานอกจากนอกจากตอบแทนบุญคุณแล้วยังต้องไม่กะ ไม่ต้องเน้บไม่ไม่ในรับคุณด้วยนะเน้นรับคุณแปว่าอะไรไ ม, ไม่แต่ว่าไปรับไปทําร้ายคนที่เข้ามีพ่อคุณเราครัับครบอยา่อย า, ยาไปกล่าวได้อย่าไปทำร้ายคนที่มีพ่อคุณเราผ่าใจนะข้าใจครับฮะอตอมาการฟังทำตามการครับก็คือแบบ ถ้าเกิดเรามีโอกาสแล้วก็คนที่จะไปฟังธรรมครับอย่างเช่นจะมัตไปฟังธรรมนางกุติพระัาจาย์ครับถ้าเกิดทำโอกาสทำสคดากเมื่อไหรถ้ามีการแสดงธรรมถ้าอยากจะฟังสดเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้มีฟังได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนในมืชถือ ก, ก็ฟังได้ใน y o u ูทูบก็ฟังได้ครับจะฟังทุกวันก็ได้ธรรมะไม่มีคลิษมีภัย ย, ยิ่งฟังยิ่งได้ประโยชน์ได้ความรู้เนี่ยเนี่ยมี่ก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมาสนทนาธรรมครับสนทนาก็คือถามคําถามถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ถามถ้าเรียนวิชานสนทนาธรรมเหมือนไปเรียนโรงเรียนไปเรียนหนังสือมีเนี่ยธรรมะที่เป็นเป็นวิชาที่โรงเรียนไม่ค่อยสอนเกัน เข้มาเรียนที่วัดกันมาเรียนแล้วก็ได้เรียนนู่นเนี่ยนะข้อก่อนจากที่แปดใช่ไหมมาก่อนไม่เคยได้ยินเลใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะดีไหมครับที่ได้ศึกษามายี่สิบหกข้อนี่ดีไหมนนมีข้อไหนมีข้อไหนไม่ดีไหมไม่มีเลยครับดีทั้งท่านเลยนะโรงเรียนก็ไม่สอนนะ ไม่สอนครับสอนแต่พุทธประวัติของของดีๆเขาเกับไม่สอนแปลกนะโอ okay. เคเ๋ยวลืมกลับไปทบทวนตั้งแต่ต้นมาด้วยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวลืมหมดแล้ว น, นะต้อ ง, ต, องต้องจำให้ได้ตลอดนะครับเราถือเป็นหน้าที่อย่างนั้ วันละหนึ่งครั้งก่อนก่อนนอนหรืออะไรก็ต้องท่องประจำให้ทบทวนอยู่ทุกวันทํำให้ทบทวนแล้วเดี๋ยวมันเรื่งทบทวนดีแล้วก็แล้วก็เอามาใช้ด้วยไม่ใช่ท่ท อ, งองเฉยๆนะเอาวุนี้ให้เอามาใช้ครับให้เอามาปฏิบัติมีแขงมีคําถามอะไรอไหมไม่มีคร่ะคุณแม่มีอะไรไหม ไม่มีค่ะโอเคคุณพ่อสบายดีแล้วสบายดีครับด้วเขาว่าจะเดินทางค่ะไปไปเดินหน้าค่ะวันที่สิบเอดไปอังกฤษค่ะเดินหน้าไปเยี่ยมบ้านส้าหน่อยเอาพ่อไปคนเดียวค่ะพวกเราอยู่คอ๋อพ่อไม่พาบรดาไปด้วยไม่ได้ไปอ่ะไปปีหน้าค่ะเอไปปีหน้าโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เอาท่านี้ก่อนนะ ขอบคุณรับอาจารย์อาจารย์ครับอาทิตย์หน้าก็มาส่งของการบ้านใหม่ครับได้ครับได้ครับไปที่อาจารย์คงวิไลกอธรรมอทิอ่าไปปิดวิเวทยเลยเลยให้ให้ให้ใหู้หูให้ผู้ปิดวิเวยอยู่คนเดียวครับขอบคุณ แต่า ไ, ไ, ไปคูกครีนวันเขาไม่คูครีนหนึ่งวั น, น, วน <c oughs> เกรงว่าผู้หูจะหลับไปก่อนผูรหูาจะหลับไม่ให้แบบเป็นเด็กดีหน่อยหนึง่งแล้วพวกส็ส่งส่งซูมมให้ดูนะคะบอกเพื่อนดูเลยบอกว่าเข้าปฏิบัติทำแทน มีอะไรไหมตอนนี ไ, ไม่ไม่มีค่ะเข้ามากาบพระอาจารย์ค่ะเร็ <Okay. S 2> ได้ฟัง<อ>ได้ได้อ่านได้คุยกับเพื่อนๆ น, นที่ปฏิบัติธรรมนะคะไปก็เห็นอะไรเยอะกลับมาก็ยังมีคนถามกลับมาว่าเรียนถามพระอาจารย์ด้วย hmm. ว่าอย่างนี้ปฏิบัติหรือว่าเข้าใจว่ายังไงตอนนี้มันมีคนส่งส่งลายเออว่าถ้าคนพ่อแม่ญาติโยมเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยนะคะ เราก็บอกว่าต้องรีบทําบุญเลยนะวันหนึ่งวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันเพราะว่าดวงวิญญาณนี้ยังรออยู่ยังไม่ไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไปมาค่ะวิญญาณไปไปตั้งแต่หมดลมหายใจแล้วบนค่บาปเป็นผู้ยึนไปแล้วค่ะก็ก็ตอบเพื่อนไปว่าพระอาจารย์คงตอบลักษณะอย่างนี้แน่นอน ไม่ต้องมาเชิญเชิญไม่ได้เรามีเรามีอำนาจอะไรไปเชิญดวงวิญญาณเงี้ยดวงวิญญาณอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมภายภายใต้บุญแะบาปที่ใต้ทำมาพอตายพวกนี้บุญและบาปบะบาจะตอบสนองทันทีดังนั้นไม่มีใครเปเชิญดวงวิญญาณได้หรอกเป็นเรื่องพระเจแล้วก็เชื่อกันกลายเป็นเรื่องเวลามัน สังคของคนหูเบาอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ส่งมาไม่มีสติ ไ, ไม่มีปัญญาเป็นพวกกระต่ายตื่นตัวเนี่นนยัอกไม่ได้ศึกษาเป็นชาวผู้แท้ๆไม่เรื่องแค่นี้ไม่ได้ศึกษาไปค่ะอะไม่ร้ว่าตายแล้วไปไหนนีไม่ไม่รู้กันแค่นี้ก็ไม่รู้ไ ม, ม่มันมันเป็นเสียงที่น่าจะรู้นะน่าจะเรียนรู้ง่าย แต่ครับไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้กันอแล้วอะเวลาสมบุญมาทําตอนที่ตายมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หต้องทําตอนที่เป็นเอะได้ร้อยเปอร์เซ็นใครทํำก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าร้อยคนส่งไปนี่ก็ส่งให้ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวบุญที่ที่ส่งไปนี่เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนน้าน้ําที่ค้างอยู่ในแก้วเวลาที่มันกเอาน้ําหล่อออกนั่นแหละคือบุญที่ ได้เพียงเดียวงั้นอย่าไปรอบุญหนึ่ที่ตอนนีม้มีเวลาตั้างบุมเติมน้ําให้เต็มแก้วเลยเอาบุญเต็มแก้วนีลย่ะนี่เวลาบิ้วเอาบุญที่มีแตะเศษน้ำถึงมีแก้วอายิ่งทํำมากก็เหมือนกับไปอ่าจองตัว๋วซื้อตัว๋วไปจองโงงานไปจองที่พากไปจองร้านอาหารไป ทำบเญกะอย่างเนี้ยเป็นเหมือนกับไปทําวีซ่าไปสวรรค์กัน <c oughs> ทําบาก็เหมือนกับไปจองเข้าคุกกันบาก็คือที่ต้องไปติดคุกในในอบายกันค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดานะเป็นชาวอเ <c oughs> มริกันศึกษาสูงจบปริญญากันแต่กับมืดบอด เ, เรื่องธรรมะเรื่อง เนื่องแค่นี้เรื่องเช่นผมมาภกเขาแล้วทําให้คือเวลาส่งเข้ามาแล้วไม่ทราบส่งไปที่ไหนบ้างเย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้คนเนี้เข้าใจผิดแล้วก็จะคิดว่าถ้าไม่ได้ทําเนี่ยเหมือนกับไม่กตัญญูไม่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกตัญญูเมื่อทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ทิ้งพ่อแม่ให้อยู่ไนมะ่ไม่แยแสไม่ดูแล ตรงนี้ดูท่านกับท่านยังดูเราใช่ไหมที่ดูท่านท่านตรงนี้เรามากี่ปีกว่าที่จะปล่อยให้เราทําอะไรตามลำพงของเราได้แล้วเรายังพ่อแม่แท้ไม่กี่ปีในยับบ้านตายงชีวิตทำไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ต้องกระตันอยู่มันต้องทําตอนที่ท่านอยู่ไม่ใช่ไหมรอให้ท่านตายแล้ว้อของ น้องห้างข้างลงส่งโอ้ยแสดงการรักแม่คิดถึงแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าดัดจระเข้หรือเปล่าใช่ไหมนั่นได้ประโยชน์อะไรแม่ได้ประโยชน์อะไรจากการล้อห่มล้อห้งของเราอาจจะแสดงให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันรักแม่นั้นนฉันอย่างนู้อย่างงี้แต่ถ้าเราได้ทํำ เราได้ทำในชีวิต น, นี้ถึงทุกวันนี้นะคะ<ม>เราก็มีอย่างเดียวคือท <ำ S 2> ุกวันกิดนิ่ง<ม>ใชไงไ่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้อไปร้องหมร้องไห้ไม่ต้องไปสแสดงการโว้นักแม่เสียดายมาคิดถึงแม่ร้องไห้ภูมไฟต่อหน้าจะทารกกำนานนี้นไม่ได้อาจจะมีน้าตาซึมบ้างเวลาคิดถึงท่านก็เป็นไปโดยธรรมชาติ นะอันนี้ก็คุยนะไม่ได้ว่าใครใช่เดี๋ยว่าว่ า, ว, าว่าใครจริงทุกวันนี้เวลาที่ทำอยู่เนี่ยนะคะนี่คแม่อยูหนึ่งร้อยหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีความสุขมากเลยล้วมีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนเนี่ยท่านไม่อยู่แล้วนี่ไม่ได้เสียใจเลยไม่ได้เสียใจไม่เลยทำเต็ม ท, <ำ S 1> ที่ของเราแนละ้วใช่ให้เต็มร้อยทุกวันนั่นมีความสุขเต็มที่นะ่ะ ใช่แม่ก็มีความสุขก็ก็ต่อกันปีละปีนะคะ <laughs> ปีละปีนี่แหละคือความประทานอยู่ต้องทําตามที่ที่ยังยมีชีวิตอยู่ส่ตายไปแล้วก็ทําไปตามตามตามประเพณีส่วนใหญ่เขาทประเพณีเวลาเราทำบุญก็ออกที่ให้ท่านได้บุญเราต้องทำมันอยู่เป็นมระจำอยู่แล้วใช่ ว่าเราอยากบำบัดวพาเราไมนรู้ว่าบาปที่นรามีอยู่มันมากน้อยเพียงไรเราต้องซื้อประกันให้เขาบุญให้เยอะๆซื้อประกันภัยอะไรบ้างซื้อเต็มที่เออทําให้คุณแม่รู้สุกว่าซื้ได้ซื้อเต็มที่นะคมันทำใจสบายแม่คุณแม่ก็เปภาอาหารของโลกโลใช่ได้กล่าวเป็นทุกวันโอเคนะอ่าค่ะ ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ค่ะเดี๋ยวได้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวเปิดสูงให้เพื่อนๆส่งต่อให้ฟังถามมาก็ส่งต่อค่ะลองดับการคลิกไปก็ดูต่อครับคิดไหมก็หนึ่งค่ะค่ะครับท่านค่ะคุณอาจารค่ะคุณแม่ชีแม่เมียวน้องเมียวพิรกการค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีคำถามอะไรค่ะโอเคคุณแนนจากอุดร การนมัสการคพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะคุณหมอราชน า, ากรธรรมอ่ะการแล้วมันก็สการพระอาจารย์ค่ะก็การขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะก็คือที่ที่แล้วเนี่ยก็เป็นวันเกิดแล้วก็เลยบอกที่บ้าว่าอยากไปวัดอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยไม่อยากได้อะไรอยากไปวัดก็เลยไปวัดนี่ยค่ะแล้วก็ที่แล้วพระอาจารย์เทศอ่ะ คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าไปถึงใจแบบมันมันมันได้ต่อยอดต้องขอบคุณพระอาจารย์มากมเลยค่ะคือมันเหมือนกับประเทศมาให้กําลังรอฟังแล้วแบบเอเอมันเออมันต่อยอดขึ้นไ่ได้คนระับพระอาจารย์แล้วก็ที่พระอาจารย์บอกให้ไปทําเรื่องไม่ได้จัดการกับอะไรให้สังเกตว่ารู้ก็พยายามคุมแล้ว ก, แวก็แล้วก็มันต้องพยายามก็คือดูอยู่ตลอดทั้งอาทิตย์ก็ยังไม่มีอะไรก็ยังมีความสุขแล้วก็สงบอยู่พระอาจารย์วันนี้ก็เลยยังไม่มีคําถามเดี๋ยวไปทําต่อก่อนเพราะว่าชิดหน้าจะไปขอชียโอนค่ะอาจารย์จะลอง ปฏิบัติให้มันเยอะๆก็คือจะนั่งก็คือทั้งปกติเนี่ยก็คือจะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเช้ากับวันเย็นอยู่แล้วแล้วก็ตอนวัดตอนระหว่างวันเนี่ยก็คือถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ทําปกติจะไม่ได้ทํางานจะทํางานคือเดือนหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งเพราะว่ามันทํางานแบบเอมันเป็นชุดงานช่วยคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ก็จะ น, นั่งทงั้งวันแต่ถ้าวันที่ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็ก็ <S <S ดูแล้วก็มีแค่รับส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านก็เป็นวัดแล้วค่ะเพราะว่าทําทานเดินจงกรมทั้งไปบ้านนอกบ้านก็เดินนุวั ได้ปฏิบัติไปต้องแข่งต้องผลมีที่ไหนปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปเอิ้มขอบพระคุณมากเลยพระอาจารย์ขนาดได้แค่นี้ยังรู้สึกว่ามีความแบบสงบมีความสุขเยอะมากเลยก็เลยมีความมีกําลังใจในการปฏิบัติต่อขึ้นมาเร <Okay. S 2> <ๆ>ื่อยเรื่อยใช่ดีไม่มีคําถามเลยนะไม่มีค่ะเดี๋ยวไปทําก่นอนที่คุณอ้องต่อ อ, อ, อ, อ้อมบอเวนชิญเลยค่ะนมัตสการคะ่ะไม่มีคําถามคะ่ะ คุณเดกจากเชียงรายนยอ้อมเพื่ออะไรอ้อมเพื่ออะไรอาจารวสการพระอาจารย์ครับอยู่เพื่อชิงแสงครับพระอาจารย์อยู่ติดับเชียงของเขารือก็ติดอยู่ครับพระอาจารย์ครับต็ดแม่น้ําของไหมติดแม่น้ําของไม่ติดติดครับอาจารย์ติดครับติดสามเหลี่ทองคําอยู่เหนือหรืออยู่เนือหรือใต้ของเชียงของมัน เออผงผมอยู่ผมอยู่มาทา ง, งใกล้ๆกับแม่สายครับอาจารย์ก็อยู่เหนือเชีงง ย, ช ง, ข ง, ยชงของครับอยู่เหนือเชียงของครับครับผมอยู่เหนือเชียงของครับแล้วเคยเคยนั่งเครื่องจากหนองบับางมาลงที่ต่างนาลงเขาบ้านห้วยแสงนิด<ฮ>หนึองแล้วก<ม>ามเรือท<ม>้ามเรื<ผ>มาที่เียงของเคยเคยข้ามไปครับอาจารย์ครับเคยข้ามไปอยู่ครับแต่ว่า แต่ว่าเครื่องเคื่อไม่เคยไปเพราะว่ามันติดคือเดี๋ยวน้มีพรมแดนที่ว่ามันสามารถข้ามข้ามไปได้ที่เชียงโปรครับอืมแต่ก็ไม่ได้เป็นนานนะครับเพราะว่าน้องชายผมไว้อยู่อยู่ที่ลาวเหมือนกันนะคะรับอาจารย์ครับผมมีอะไรไห ม, มวันนี้ก็วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับนี้ไม่มีคําถามครับผมว่าปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ในสัญเหมือนเดองอย่านะครับผมในสัญชีอยู่ครับพระอาจารย์เพราะว่าเอ่อ ก็ก <g> ็ถ้าหลังจากนี้ในสันชิกมาก็มันทําให้เข้าสมาธิง่ายขึ้นครับอาจารย์เร็วเร็วขึ้นครับอาจารย์ครอะไรที่เป็นเครื่องช่วยก็ต้องตั้งใจเอาเพียงใช้มันไปนะถ้าผมาอ่านห<อ>น่อยยากหน่อยแต่มันเพื่อผลที่ดีคถ้าผมครับผมก็ก็อยู่กับเวทนาได้ครับอาจารย์จนครชั่วโมงที่เราตั้งไว้ครับในช่วงตอนเช้าครับอาจารย์ก็ได้ครับก็ ก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับอาการแล้วเวลาเวลาที่มีปวดปวดเอ่อปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาอะไรนี่ก็ก็ปรับใจครับอาจารย์เอก็พอเวลาเนื่องกายมันเจ็บก็ก็ก็เจ็บไปครับผมแกรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปพยายามจะอยู่แบบสบายอยู่แบบไม่ไม่ทุกข์นะครับผมครับผมใช่ครับ ก็ก็ดูพิจนากายรพระอาจารย์มันมันลืมไปมันก็หายไปครับอาจารย์เออก็ไม่ได้ใส่ใจกับอะไรกับมันมากนะครับครับครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับเข้ามากาพระอาจารย์นะครับครับขอถ่านพระอาจารย์แข็งเลยครับผมสาธุคุณสภธนาจะบอวิน กลับรำมาศการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็เข้ามาฟังธรรมไม่มีปัญหาเจ้ า, าค่ะใครที่เป็นร้อนนธาวดร้อนนธาวดกลับรำมศการพระอาจารย์ครับอนะครับเข้ามา<ด>ฟังครับสบายดีครับสบา้ครับปอดิงนานงานก็มากเหมือนเดิมโรงพยาบาลนี่ไม่ค่อยขาดลูกค้าลูกคา้กคานีเยอะครับ รีช <Okay, S 2> ็ <okay. S 2> อปจริ<า>งๆแล้วก็<า>ม <idea. S 2> ใีใช่ครับใช่ครับเนี่ยนะ mm hmm. okay. แต่ว่าช่วงที่เราไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ประชุมต่างประเทศนะครับเผมก็ได mm ้เสนอผลงานคุณตับมาครับอก่ okay, <good. S 2> อนไปที่ที่แล้วก็ได้ฟังเป็นไปฟังภาษาอังกฤษของทานภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ดีครับเป็นเน้น เห็นอาจารย์จะตอบเน้นเรื่องของอุเบกขาบมกว่าเราไปเปิดดูเป็นภาษาภาษาอังกฤษอีกอีคนนิมิตีใช่ไหมครับอีกคนนิมิตตีเห็นถ้าเห็นศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่ของเราต่างกันก็คงเป็นเพราะว่าโตมีปัญญาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับศาสนาอื่นไม่มีปัญญาไม่มีใครรู้ว่าทุกเกิดจากปัญหาความอยางครับอ่ะว่จะเป็นสุที่ ต้องใช้สติสมาธิปัญญาครับอะอันนี้ไม่ได้ใครทครับอะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ต้องพยายามไม่ได้แล้วคดีครับฟังฟังภาภาษาอังกฤษตันตอนการเตือนทานก็แล้วก็ดูถามกรตรงกันครับมะไม่มีใครเขาสอนตาแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าครับอ่ะต้องมีอุเบกขาเป็นเป็นฐานให้ต้องทําให้เข้าสุภาวะให้ได้ก่อนกลับมา เี yeah. okay. ่นะยังไม่มีอะไรครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเดินทางไปไปปฏิบัติครับแต่ว่าวัเสาร์อาทิตย์ปอดี <c oughs> เดี๋ยวมีจัดประชุมกับต่างประเทศก็ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ว<า>ล า, าล า, าลาวันธรรมดาไปครับแม่ป้ า, ากันท้าายท้าทาครับได้ครับอด้ครับคุณแคทแคทจ่ายที่ไหนคุณแคทอ่าอยู่ที่ไหนในยองท่ญญาดอัดไม่ไม่ได้ยินนะ ได้ยินหรือยังจะยินยังคะได้ยินแล้วแลน้อเได้ยินแล้วหเปล่าเื้อยจะถามอาจารย์เลยค่ะคือตอนนี้ตอนนี้ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเวทนาอยู่อะค่ะนี้เวทนาภายนอกอ่ะร่างกายอพอทนได้แต่ภายในอะมันเจ็บมากทรมานอะมันปวดกระโดดอะค่ะภายในอยตรงไหนภายในก็ร่างกายเนี่ยค่ะค่ะภายในคือเกี่ยวกับ เปจิตใจที่เหมือนว่าเราเราปฏิบัติมากๆแล้วมันจะปวดเจ็บปวดทรมานนะคะมันดเราจะระบายใจยังไงคะจะปวดที่กายที่กายอ่ะอมันเป็นความรู้สึกค่ะความรู้สึกว่ามันมันทรมานก็มันเราก็ไปอยากให้มันหายมันก็ทรมานดิเราอยากไปอยากให้มันหายมันเป็ก็รับรู้มันไปอยู่กับมันไป ทำใจเฉยๆทนใจไป็นโอเบคาให้พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บมันจะเจ็บจะปวดยังไงเข้าไปมันเจ็บมันปวดไปเราไปห้ามมันไม่ได้ยิ่งมีไปอยากให้มันหายมันยิ่งทรมานเลยแล้วสามารถมีตัวช่วยคนอื่นตัวตัวช่วยเหมือนว่ามีสติสัมปชัญญะอะไรอย่างเงี้ยก็ในพุทโธไงพุทโธพุทโธไง เข้ามือถือไปแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะใจก็จะเป็นอุเบกขาแล้วว่างได้วางเฉยได้แล้วแล้วกรณีที่เราใช้จิตว่างๆแล้วก็ล้างมันออกี้ยได้ไหมคะก็จิตจะว่างมันต้องเป็นอุเบกขามันจะว่างเลยอ๋อคือมันมันนานอาจารย์เพราว่ามันหลายชั่วโมงอ่ะก็ต้องขยารพุทโธทำการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไง แล้วแล้วกรณีที่เคสอย่างเงี้ยมันต้องผ่านขั้นขั้นสูงสุดนี่เหมือนมนต้องต้องเลยความตายไปอย่างเงี้ยต้องทรมานอย่างนี้ปะฮะถ้าเรามีอเบงขาเขาไม่ทรมานถ้ า, ามีอเบงขามีปัญญาปล่อยวางอยอมรับว่ามันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตาจิตก็จะไม่ไปต่อสู้มันหมาย น, นเป็นไป มันเหมือนมันเหมือนตายทําทําแบบตายก่อนตายใช่ไหมถึเงเนี้ยต้องเลยความตายต้องทนคือต้องยอมตายถูกเนี้ยถึงจะผ่านได้ถูกไหมคะมันเราว่าเรายอมแต่กิเลนไม่ยอมอะไรเนาะมั น, ม, นมันจะยอมกิเลนมันจะยอมทำเมื่อเรา ม, มีโอเบคาาต้องทําต้องทำต้องทําใจให้เป็นโอเบคาให้ได้ด้วยด้วยสติก่อน อ๋อต้องต้องฝึกคือพุทโทอย่างเดียวเลยอย่างอื่นเพื่เพื่อไม่ได้เลยอ่าใช่เพราะมันเป็นพรมันเป็นอุเบกขาแล้วที่เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าต้องยอมมันเพราะวาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้กลับตายพอยอมตายที่นี่มันก็มันก็ยอมริงตอนที่เรายอมแต่กิเลสมันไม่ยอมถ้าเราไม่มีอุเบกขาอย่างนี้มัใช้ได แต่เราม e ีอย <Hospital> ู <wow> ่เบรคค้าแล้วก่เลสมันก็ยอมเพราะกิเลมันอยู่ภายใต้อำนาจของเบรคค้าเแสดงว่าต้องฝึกฝึกสติอย่างเดียวเลยใช่ไหมว่าฝสติสมาธิฝึกสติแลสมาธิให้จิตลอให้จิตลอมันเป็นเป็นอันนาสมาธิ No. มันมันมันเป็นหลายชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงอย่างเปนมันมว่าม่ไอยู่ที่ชั่วโมงไม่ไม่ต้องไปสนใจชั่วโมงมสนใจเอาเอาเอาจะีกว่าอ่าครับนั่งหลายชั่วโมงแต่ไม่สมงบมันก็เหมือก็ไม่ได้นั่งค่ะอืมนัมันล้วมีสติต้อ ม, มีพุโทโธพุโทโธกำกับใจแตลล่ลอดเวลาค่ะโอเคนะค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งขอถามเรื่องเรื่องสติละเอียดนี่มันเป็นยังไงคะ สติในเก็คือสติที่มันไวขึ้นเร็วขึ้นอ๋อแล้ต้องฝึกอีกอีกไปให้อีกระดับหนึ่งใช่ไหมครับปเรื่อยๆต่อไปมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติต้องฝึกเรื่อยๆสติสติที่ไม่เผลอไม่เผลอตอนตอนียังสติยังเผล่อยังรูกคุกคันเราปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นสติที่เรียกมหาสติ่ย อ๋อค่ะแล้วสติละเอียดสติที่มันของสติที่ไม่พังเลยสติต่อเ น, นื่อมันแลอลไยาวไกลอ่ะจาย์ไม่ไม่หรอกมันก็อยู่ที่การพูดโทนี่แหละพยายารพูดโทวันสองวันมันก็ถึงมาก <c oughs> พูดโทไปทั้งวันเลย ท, ทั้งวันกาพยายามปฏิบัติค่ะถ้าไปพูดโทไปทั้งวันทำไมอีกเจ็ดปีอีกสิบปีมันเองไม่ถึงนะ มันอยู่ที่นะอยู่ที่อยู่ที่ความพยายามความพยายามที่จะเจริสติพุทโธอยู่เรื่อยๆนะเัีนยวสติมันก็มาเองเรามีพุทโธอย่างต่อเนื่องเนี๋ยต่อไปสติมันก็ต่อเนื่องค่ะพยายามที่บ้านกันค่ะขอบคุณค่ะสาธุกาอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้ลืมถามคี่ไหนอยู่เลยองค่ะเลยองนะ คุณนัที่ดาคุณหมอนัที่ดาอยู่ในน Lean, ูนวันนี้กลับนวัฒกรรมอาจารย์โซการาากออ็ช่วงนี้โยมก็ปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าค่ะก็ใช้ความว่างเป็นอารมณ์จนมันออนิ่งสงบมีความโล่งโปร่งเบาแล้วกออ็จะมีช่วงที่ไม่รู้สึกถึงกายแต่ว่ามีสติรู้อยู่อันนี้ได้ได้นานมากขึ้นเจา้าค่ะโอเค ปิดไม่ไม่ก็ถูกแต่จูกถูกป็นต้องปิดไม่ไหมคะข่าวพระอาจารย์ก็แล้วก็มีสติตามรู้ในสิ่งที่เรากระทาในชีวิตประจำวันได้ได้มากยิ่งขึ้นจ้าข่าวพระอาจารย์ก็พอดีว่ามีคําถามต่อเนื่องจัดขึ้นสักครู่พอดีจา้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องเวทนาจะาข่าวพระอาจารย์ก็อยากจะขอ โอกาสสอบถามพระอาจารย์ว่าโยมปฏิบัติถูกผิดประการใดเจ้าค่ะคือช่วงนี้เมื่อไปถึงจุดที่เกิดเวทนาเหลังจากที่เราสงบต่อนเนื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนกับว่าจิตน่ะมันสอนตัวเองขึ้นมาว่าเหมือนเทียบว่าอย่างเวลาที่เราโดนฉีดยาชาแล้วหมอจะมาทําอะไรให้กายมันเจ็บปวดแต่เราก็ใจเราก็ไม่เห็นไปเลือดเป็นเลือดเป็นร้อนทัทง้ทงที่อันนี้มันก็เป็นเป็นกายอันเดียวกันจิตอันเดียวกันแล้วก็เทียบเคียงอยู่กับ ที่ตอนนี้เนี่ยกายมันก็เหมือนอยู่ส่วนกายของมันแล้วจิตมันก็อยู่ส่วนจิตเราแค่เหมือนกับมีการรับรู้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนสอนเองว่าทำไมจิตเรารต้องไปเดือดร้อนไปอยากให้มันหายอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระจันทร์แล้วพอเหมือนมันจิตมันสอนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนวางวางความอยากให้เวทนามันหายความเป็นเดือดเป็นร้อนทิ้ไปเจ้าค่ะพระจันทรย์เราก็เห็นว่ากายมันก็คือกายแล้วก็มีเวทนาแล้วจิตมันก็อยู่ส่วนจิตแล้วมันก็สงบไป í? อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระจันทร์ กนดีวัฒนาว่าเราเข้าใจว่าเรื่องของกายกับวันาก็เป็นเรื่องของเขาจิตก็เป็นเรื่องของจิตก็เราเราส่วนกันจิตไม่จิตไม่ได้มีความเจ็ปวดไปกการวทนาท่านจิตไม่ไประอยากจิตก็ไม่เดือดร้อนท่านจิตไปอยากให้มันหายจิตก็จะเดือดร้อน เจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนเห็นส่วนเชื่อมตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าดูมันจากความอยากเลยจริงแล้วพอเราคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนแยกกองแล้วก็เราก็ไม่ได้มีความอยากไม่มีความดิดลรนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ในบอลลังต่อไปก็เป็นอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็นั่งก็สงบพอไปได้ยจะคำนิจพอเรปล่อยความอยากได้มันใจก็อยู่ใจก็เป็นดีเลยใจก็อยู่เหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็อันนี้ก็ในในสมาธิพอออกมาเนี่ยก็เหมือนแบบสอนใจตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความตายว่ามันก็น่าจะเป็นเช่นกันที่แบบเหมือนมันเป็นแค่จุดหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนพบไปหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเกิดความทรมานอะไรขึ้นแล้วเราจะไปเกาะไปกับความกลัตรงนั้นทําไมอะไรประมาณนี้เ<ๆ>จ้ะค่ะอาจารย์ได้คือความกลัวก็เกิดจากความอยากให้มันไม่ตางให้มัน แต่ะ้าเราพิจารณาว่ามันความจริงก็คือมันต้องตายไม่มีใครห้านได้แล้วก็ยอมเล่าความจริงนั่นไปเจ้าค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับสอนตัวเองมากขึ้นว่าคือตอนนี้เราอาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยอะไรที่มันทําให้เราไปสู่ความตายแต่จริงๆเนี่ยเราก็ทุกคนก็ลุ้นเดินไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนตอนนี้แบบเหมือนเทคโนโลยีมันอาจจะ ดีเทคเราไม่ได้ว่าเรามีมีเหตุบางอย่างที่เราจะต้องตายแต่จริงๆมันก็มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยจ้ค่ะก็ก็ก็คิดประมาณนี้าค่ ะ, ะอาจารย์คือไม่ต้องเป็นกังวลเหตุว่าจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนในตัวมันตายแ น, น่ๆเจ้าค่ะมันคิดว่ามันต้องเดินไปสู่ความตายแ น, น, น่ๆก็คิดตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเงนี้ยจ้าค่ ะ, ะอาจารย์ที่ไหนเมื่อไหร่ที่ส<ม>ําค<ม>ัญอะเจ้าค่ะอาจารย์อยู่ที่เราเรารับเราทำข้อสอบข้อที่ได้บ ยอมรับมันได้หรือเปล่าต้องยอมรับมันตั้งแต่บัดนี้ไปเลยมันก็จะได้ใยอมรับตั้งแต่อาจจะตายตอนนี้ก็ได้นะลองยอมรับกันตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วมันก็จะได้ไม่มานั่งกังวลมันจะตายเมื่อไหร่สรงค่ก็ก็คิดประมาณนี้อยู่ได้เลยสิค่ะพระอาจารย์ช่วงที่ออกจากสมาธิสิค่ะเพราะความจริงเวลามันตายจริงๆก็ตายตอนนี้มไม่มีตายตอนไหน ตรงนี้ก็ยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปแล้วเวลาคนตายนี้ก็ตายในปัจจุบันแล้วไม่มีใครตายในอดีตตายในอนาคตใค่ไหมความจร<ๆ>ิงเราอยู่ในความจริงเพราะเราอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาแต่ใจเราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันแล้วใจเราไปคิดอดีตคิดถึงอนาคตกั น, น, น, นไปในหลวงชื่อมีอดีตมีอาานาคตแต่ความจริงความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอดีตอนะคาคตเป็นความคิด ปูแต่งของเราเองความจริงมันมีแค่ปัจจุบันนี่ครัถ้าเราฝึกสติตั้งจิตนิ่งเราก็จะเห็นว่าจิตอยู่ในปัจจุบันกับร่างกายอต่ถ้าจิตมันไม่นิ่งจิตมันคิดถึงอดีตคิดถึง อ, างอานาคตก็เลยคิดว่ามีอดีตมีอานาคตแล้วางที่ก็ลืมปัจจุบันกันด้วยซ้ำแม่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะพยายามเตือนตนเองว่าสามารถตายได้ทุกเวลาเจ้าค่ะแล้วไม่ได้ตายเมื่อไหร่ตายที่นี่เดี๋ยวนี้นะถ้ามันเวลาจะตายมันก็ตายตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วร่างกายร่ากายอยู่ตรงไหนมันก็จะตายตรงนั้นแหะตายที่ร่างกายไม่ได้ตายขอข่าวพระอาจารย์นิยมก็ปฏิบัติประมาณนี้แล้วก็ออกไปได้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ตรคือต้องเตรียมตัวตายตลอดเวลายำรำรับตายว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทุก ท, ทุกเวลานาทีเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็คือโยงอยากขออเรียนสอบถามอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องของเ อ, อขั้นตอนเ อ, อหมายถึงขั้นหนึ่งในการที่อาจจะแบบไปสู่พระริยะคือกระสวดวันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คืออันเนี้ยก็คือจะต้องวางฐานกายกับเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายถูกไหมเจ้าค่ะใช่ผ่านความเจ็บปวดได้ไม่รู้สึก มีความทุกข์กับมันผ่านความตายได้เราไม่มีความรู้สึกทุกข์กับมันอันนี้ก็ต้อไปท่องหาข้อสอบทำหนึ่ต้องไปหาที่ที่มันอาจจะทําให้เราตายแล้วดูที่ว่าใจเราเป็นอุเบกขาหรือไม่ถ้าใจเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราอยอมเราควาอมที่จะตายแต่ถ้าใจเรายังทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังไม่อยากตาย แค่เรื่องความเจ็บรากายความเจ็บขึ้นมาแล้วเรารู้สึกเฉยเฉเหมือนกับตอนที่หมอฉีดยาชาขึ้นมาเจ้าค่ะพยายามคิดแบบนั้นเจ้าค่ะอาจารย์แล้วมันวางจริงเจ้าค่ะพอาจารย์ไม่รู้คิดถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะเถ้ามีความรู้สึกเฉยเฉยเหมกับตอนที่ยังไม่มีความเจ็บมีความเจ็บเกิดขึ้นกับคารรู้สึกของใจของใจก็ยังเฉยเฉยเหมือนเดิม เจ้าค่ะอาจารย์สงสัยตรงนี้ด้วยเจ้าคะว่าใจเรามันก็จะไม่เต้นไม่ไปตามตรงนั้นด้วยใช่มเ้าคะคือนอกจากเฉยเเฉยเมือนกับตอนที่ไม่มีความเฉยเฉยไม่มีเหมือนกับตอนที่ไม่มีครับเจ็บเจ้าค่ะถ้ามันไม่เฉยมันมันมีปฏิกิริยาต่อต้านมันแสดงว่ามันไม่เฉยนะ้วยังไม่เฉยเต็มที่ไม่เฉยจริงอยากให้มันหายอยากให้มันหายไม่อยากให้มันอยู่เจ้าค่ะอืก็ต้อง ต้องเฉยมันจะอยู่ก็อยู่มันจะหายก็หายเจ้าค่ะเจค่ะพระพย า, ยามตอนนี้มันยังไม่นิ่งเองใช้พุทโธพุทโธใช้แทบปิดเจ้าค่ะทำให้มันนิ่งไห้ได้เจ้าค่ะพระอาจารยา์พระพยามฝึกต่ อ, อเจ้าค่ะขอบขอบคุณมากเจ้าค่ะโอจ๋าเตคุณสิริพรเชิญสิริพร อ, อยู่ที่ไหน เปิดไม่ก่อนนะค่ะอยู่ที่ไหนอยู่สมุดปราการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้มีอาจจะรบกวนสอบถามพระอาจารย์เนื่องจากว่าลูกศิษย์ได้ลงคอร์สปฏิบัติธรรมโยคีไว้ช่วงเดือนตุลาคมแต่คาดการว่าจะมีเหตุที่ไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้อีกครั้ง ก็เลยคิดว่าจุดนี้จะเป็นอุปสรรคและทําให้อ่อเรียกเป็นเหมือนบททดสอบของเราหรือเปล่าคะในการกรณีที่เราจะไม่ได้สามารถไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่ได้สามารถเข้าไปสู่อ่าในในการนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าเข้าไปปฏิบัติแทนในสถานที่ที่เป็นวัดนะคะ่ะมันก็แสดงว่าความตั้งใจเรายัไม่แน่ยังไม่แน่ยั ง, ย, งยังเราได้อยู่ ตั้งใจไว้แล้วพอมีเหตุการณ์อื่นมาก็ทำให้ทาให้เปลี่ยนใจได้แะดะว่าเราขาดสัจจะเราไม่ความตั้งใจแต่เราขาดสัจจะถ้าอยากจะให้มันแน่วแน่ก็ต้องถ้าลองปรงตัดสินใจะทำแล้วต้องทำนะอยา่าบอกว่าไม่มไมทำเลยนอกจากเหตุสุวิสัยจริงๆใช่คือถึงแม้ว่ามันจะไปใช้คำว่าตรงวันเดียวกันกับ เพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเกิดเหตุบากหมาบัดหม า, า, หมาะคะ่ะพระอาจารย์มันจึงทำให้มีเหตุที่เรารู้สึกว่ามันเลื่อนเลื่อนเวลาของเราได้ไหมหรือว่าถ้าหากเราทำไปแล้วก็ค่อนข้างเกรงใจกับคนคนกลุ่มรวมอะคะ่ะพระอาจารย์กแล้วแต่เราจะเลือกงเราจะเลือกเพื่อนหรือเราจะเอาเลือกธรรมาก็อยู่ที่เราจะลือ แต่จะเอาสองอย่างไปมันไปสองอย<ล>่างไม่ได้เดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะต้องใช้อนนี้ัติเป็นบทเรียนว่าต่อไปเราจะตั้งใจทำอะไรเราต้องคิดให้รอบคอบว่าเราไม่เปลี่ยนใจได้ไหรไม่เรายอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาสิ่งนี้ได้ไหรไม่ถ้าไม่ได้ตั้งไปมันก็ล้มเหลวมันเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้มีความ ไมวเอาแน่ต่อการตั้งใจของเราเราก็ต้องตัดใจ ต, ดตัดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราตัดสินใจว่าเราจะทําอย่างนี้แล้วอาจจะมีอาจจะมีข้อยกเว้นวงเล้บไปหน่อยว่าถ้าเกิดบิดามาจนะป่วยคนมีรครอบครัมีท่านเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการให้เราดแรูแล อ, อย่างนี้โอเคก็ว่าไปเพราะพระพเจ้าท่านก็ตั้งศรัทธาอธิษฐานตอนนี้อยู่ใต้โคนต้นโพท่านก็จะไม่ขยับ ถึงแม้เลื่อนเลื่อนะนร่างกายจะเหือดแห้งไปท่านก็จะไม่ขยับท่านก็จะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดเจรูญนั้นใช่จะถือเป็นการฝืนไหมคะพระอาจารย์ก็ต้องฝืนอย่างนี้นี่ก็นอนกิเลมันล่อมล่อ ม, มวยทุกครั้งที่ล่อมนี่ไม่ใช่ใครล่อมหรอกกิเลสมันร่อมเราเนี่ยอย่างที่เราให้ฝืนไ่ด้ฝืนกิเลสไม่ได้ฝืนอะไรออืเพราะการปฏิบัติธรรมก็เป็นการทําลายกิเลส ที่กิเลสมันก็ต้องหาบายวิธีเราก็ไม่ให้เราไปทํากิเลสมันยากเย็นครับมันฉลาดกับเรามันอ้ามแม่น้ำทั้งห้า ม, มามาห้ามเราห้ามไม่ให้เราไปฆ่ากิเลสเพราะกิเลสไม่ยากให้เราฆ่าไม่อยากให้เราฆ่าเราถึงต้องอาศัยอธิั จ, จานอธิฐานเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามายุ่งได้พราหมณจนเขาไม่รู้สึกว่าออ่อ มันท้อแล้วมันก็เหมือนเริ่มจะหมดไฟในในความรู้สึกของตัวเองลงไปอะค่ะพระอาจารย์คือการที่เราปฏิบัติแบบออนไลน์หรืออยู่ที่บ้านมันก็คนละรูปแบบกันมันมันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติคนเดียวมันอาจจะแบบปฏิบัติแบบแอบๆซ้อนๆปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ได้แต่ถ้าเราไปปฏิบัติกับกลุ่มเนแล้วที่เขามี มีคนคนดูอะไรเราก็จะไปแอบๆซ่อนๆไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเราอยากจะก้าวหน้าทางธรรมเราก็ต้องทิ้องทุกอย่างต้องคิดอย่างนี้ถึงจะไปได้ถึงจะทำได้ถ้าเรายัางมัพี่เสียดาน้องอยู่ก็อยู่อยูอย่นี่ไปก่อนพี่ก็จะเอาน้องไปจะเอาเลยไม่ได้ทั้งคู่เลยพี่ก็ไม่ได้น้องก็ไม่เอาไม่เอาเาทั้งคู่ นะการปฏิบัติต้องมีความแน่วแน่ต้องมีสัจจอธิษฐานอธิษฐานสัจจะของตัวนี้สําคัญอธิษฐานเป็ความตั้งใจสัจจะคือความจริงใจต่อสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราตั้งใจต่า น, นี้นี่นก็จะวิริยะความเพียรกับคันตเตะก็ต้องตามมาต่อไปอ๋อถ้ามีสิ่ตัวนี้เราจะทําอะไรก็สําเร็จ ถามันมีสีตัวนี้ก็ล่มเร็วไปเรื่ยอยๆค่ะพระอาจารย์โอเคนะมีอะไร <Okay. S 1> อีกไหมยังไม่มีค่ะหนูก็พยายามจะต่อสู้กับตัวเองอยู่เพราะว่าคิดว่าปัญหาหลักน่าจะน่าจะเริ่มต้นจากจากที่ตนเองแล้วยังมีหลายๆอย่างแค่เริ่มต้นมันก็ยังมีความฟุง้งมีความเหนื่อยล้ามีหลายๆอย่างอยู่ค่ะอใช่ค่ะ เ, เพราะว่า แรงเรายังมีไม่มากพอกําลังเรายังมีไม่มากพอใช่ขวานอาจารย์ความอยากได้ทำมายังไม่มีมากพอยังพยายามจะฝ่ายขวาอยู่ถึงแม้ว่ามันมันยังต้องอยู่ในพางโลกแล้วก็ยังต้องทํางานมันก็จะมีมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ยังรู้สึกว่าออยากที่จะทําแต่ในความอยากนั้นมันก็ข้ออ้างสําหรับตัวเองด้วยหนส่วนหนึ่งนะคะพระอาจารย์เขาที่ แรงหนึ่งอูมันมากกว่าแ้งที่เราจะไปทางธรรมะใช่ใช่เจ้าค่ะยังมีภาระใช่ก็ค่ะยังยังมีความผดภาละอยู่ข้างหลังแล้วก็ยังมีความห่วงหลายๆอย่างก็อยู่นี้ไปก่อนแล้วกันโอเคนะค่ะไล่ขอบคุณค่ะคุณคมเน่คุณคมเน่เจเจพีแาน ้ยินหมานกานมัสการพระสารค่ ะ, ะเป็นยังไงตอาว่าถ่ายรูปไว้เหรอจาจาได้นะจับได้หรือยังครับพระสารจำได้น ะ, ะ ท, ที่ไปกราบเดือนกระกฎาคมมีลายไหมวันนี้ค่ะเมื่อวานก็เข้าไปห้องภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งครับราสารใช่<า>กันแล้วก็บอกให้มาคุยในห้องภาษาไทย ใ่ค่ะเพราะว่าคุยแบบภาษาอังกฤษแบบว่าไม่ถนัดค่ะเกี่ยวกับอาธิกาค่ะพระาอาจารย์ในสาธิกาค่ ะ, คะ mm. ก็ยมได้ไปปฏิบัติก็คือช่วงวันเกิดอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะยากกว่าตอนที่ที่ปฏิบัติที่เมืองไทยเพราะว่าที่เมืองไทยก็จะมีแบบครูบาอาจารย์แม่ชีที่อยู่ในวัดอะคะ่ะ แต่พอไปเออ่ที่ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็น<ค>วัดป่าไม่มีใครไม่ไม่ีใครโคงไม่มีใครนมท่าไม่มีแต่สมมติว่ามีอาจารย์ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจิตหลอกหรือเปล่าแต่ว่าตอนทํำคือมันลําบากค่ะแต่ก็คืออธิษฐานจิตว่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ช่วยอะไรย่างเงี้ยก็ก็ผ่านมาได้ค่ะแล้วก็อโยมก็คิดว่าจะ จะลองทําที่พระอาจารย์บอกค่ะว่าลองทําที่บ้านดูอะไรเงนี้ยค่ะที่ตอแรกยอมบอกว่าอาจจะทําไม่ได้แต่แต่ว่าครั้งหน้าวันพระหน้าว่าจะลองทําที่บ้านดูค่ะท่านอืมค่ะก็ลองทําไปหนึ่ดีกว่าไม่ลองไม่ลองก็ไม่รู้จะลองทุกอย่างเลยค่ะที่จะเข้ากับจริตของตัวเองเพราะว่าไปลองอดอาหารก็รู้สึกว่ามันทรมาร์ท แต่เวลาอยู่ที่แบบปฏิบัติอยู่ที่มีครูบาอาจารย์ก็ทําได้ค่ะอาฉันเอ่ยแบบทานเมื่อเดียวอะไรอย่งนี้ยค่ะเดื่นตีนหนึ่งครึ่งอะไรเงนี้ยค่ะค่ะที่เราเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนเรือที่ต้องมีเป็นเรือพ่วงต้องมีเรือลากไปมัน ไ, ไปได้ถ้าอยู่ตามลำพังแล้มันไม่มีเครื่องไปต้องของมันเองไม่ได้ค่ะต้างพยายามพยายามปฏิบัติด้วยกว่า ม, มันจะติดเครื่องของเราจะติดนะ้ำตาลไปแล้วก็ปฏิบัติของเราเองได้ ค่ะพระอาจารย์บางครั้งโยมฟังแบบธรรมะที่พระอาจารย์แบบตอบคําถามจากเหมือนกินรายานาธรรมที่อยู่ในห้องนะคะ่ะโยมรู้สึกแบบเหมือนมีอาการขนลุกค่ะแล้วก็ปิติอหมือนรู้สึกว่าตัวเองฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะนี่มันเกี่ยวกับก็เป็นคหน้าของพระอ า, าจารย์เพราะพระอาจารย์ทนั้นไม่ได้อ่าบ้างเขอยืมมา <c oughs> คือก็รู้สึกขนลุกไปด้วยค่ะพระอาจารย์ ไม่มีนนใครรู้วิทยศาสตร์สิไม่มีใครรู้ตจลัำนั่นเป็นของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็ไม่เคยแอบบ้าง ก, ก็เป็นของเราเองในเร่ศึกษาได้เรียนรู้มาก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าเรียนยากคูบอาจารย์ที่ท่าน่อมาจากพระพุทธเจ้านั้นแหะมากแปลนี้ก็มาของเป็นของพระพุทธเจ้าล้วนๆค่พะพอดีโยมตอนนี้โยมได้หนังสือเล่มนึงมาค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะ พจนานุกรมพุทธของเหมือนกับพระอาจารย์มองเห็นนะครับอือันนี้ก็มีมีเป็นเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นภาษาให้เราแปลให้เราป ร, ประยุทธ์ต้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีเนียท่านก็ละเอียดดีท่านก็นนกนมีธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะนวลๆค่ะเอาชื่อบ า, บาลีมาแล้วก็เป็นเหมือ น, นพจนานุกรมเราไม่เข้าใจท่านก็นขยายความให้ความหมายวามม่าเป็นอย่างไรบ้าง แฝ่ภาษาอังกฤษด้วยโยมก็แบบพยายามวางใกล้ๆสามีเผื่อเขาจะหยิบ่าค่ะเพราะว่าคุณอาจารย์ที่ที่วัดที่เมืองไทยให้ยืมมาค่ะก็ไม่มีไม่มีอะไรนะค่ะเขามากล่าวพัะอาจารย์ตะพนธ์นะคะสาธุค่ะอาจารย์สายทิ่วันนี้อยู่สารคามหรือแบกกราวนี้บอกอยู่สารคามนะ กับนรมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแบกกล้ามีอยู่สารคามค่ะ <Yeah. S 1> สลับเวรกลับบ้านกับพี่สาวค <Okay. S 1> ่ะเขาขอขอเปลี่ยนวันค่ะค่ะอพระอาจารย์คะก็ช่วงนี้นั่งดูลมหายใจมันมันยากมีบางช่วงค่ะนั่งหลับตาแล้วก็มันใช้คิดพิจารณาปัญญาค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็สงบทีนี้พอสงบเราก็แล้วก็เราก็เผอว่าเอ้ยมันสงบปกติถ้ายอย่างนี้ เราก็ไม่ควรพี่นะปัญญาต่อเราควรจะดูดูลมให้มันสงบแล้วก็ให้มันสงบไปนานๆการนั่งสมาธิเพื่อให้มันสงบพอสงบแล้วก็ใช้สติคอยคอยควบคุมไม่อยากปล่ให้มันคิดเพราะค่ะเพราะว่าเราเราก็เลยเผอว่าเอ๊ะหรือต้องมาดูลมหายใจมันก็เลยเหมือนถอยออกมาใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆสงบก็ก็อยู่สงบแล้วก็อยู่กับความสงบไปแล้วคอยทังเกตว่ามันจะ มันจะก็เพิ่มมามันจะคิดมาเรยก็หยุดมันค่ะมันคิดอย่าเมันคิดนั่งต่อไปอยูอ่ความสงบต่อไปค่ะหนูหนูเพิ่ว่าเอา้ามันสงบแล้วพอเราก็เอามันอะไรเงี้ยค่ะและ้วแล้วก็เอ๊ะจะดูลมหายใจเอ๊ะหรือจะทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะคิดอะไรคิไรมันก็ได้ถอยค่ะอย่า ค, คิดให้มันเฉยเฉยค่ะ เพราะอย่างนี้ถ ETF ้าก็คือถ้าบางช่วงเราดูลมหายใจไม่ไม่ไม่สงบแต่ P, P, P P P เราพินาพี่นาพังปัญญาแล้วมันแบบเหมือนเพลินไปแล้วก็วืบลงเนี้ยแล้วก็ช่วงนี lusion, نا, ้เสร็ก็ได้ใช่ไหมคะพันยาลมสมาธิพัญญาลมสมาธิค่ะแล้วก็ช่วงนี้อพยายามอยู่กับความเจ็บป่วยของตัวเองความปวดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีแต่ก่อนนี้กินยาเพราะว่าปวดพวกปลายประสาทอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยเลิกกินดีกว่าลองอยู่กับพขาใช้ธรรมะโอสถดีกว่าค่ะลองลองเลิกทุกสิ่งอย่างเลยค่ะพระอาจารย์ว่าท้ายสุดมันก็ตายอยู่ดีแหละไม่รู้จะยื้ยื้อไปเพื่ออะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่อะไรมากมายเลค่ะพระอาจารย์ทําใจให้สงบทำใ จ, <อ>ำใจมาดูเบรคขาเพรอยู่กัมันได้ะก็เลยพอมันปวดก็ดูมันมันก็ไม่ได้ปวดจนมากมายอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถึงเวลามันก็ ก็หายไปเองอค่ะก็เหลือแค่ความตึงก็ก็ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าลองอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าถ้ามันที่เป็นเจ็บปวดมากมากจริงๆถึงจะรักษาค่ะพระอาจารย์ ม, <laughs> มันปวดกล้ามเนื้อทั่วๆไปเราคิดมากเองว่าเราป่วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เลยป้องกันซะเยอะ <laughs> ค่ะใช่กวจริงโรคส่วนใหญ่นี่เราไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลเป็นนั่นเดียวเสือผามันก็หายมันเอง เหมือนรักษาไปก็ ก, ก็ก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้ต่างกับการใช้ชีวิตไปปกติประจำอะไรค่ะพระอาจารย์กินยากับไม่กินยาลองไม่กินยามันก็ก็กินยาก็ป่วยกินยาก็ปวด ไ, <laughs> ไม่กินยาก็ปว ด, ปวดคือแบบไม่ได้ต่างกันมากก็เลยเอ๊ะลองมาฝึกดูดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไหนๆเราก็อยากจะผ่านความปวดความป่วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ร่างกายเป็นแบบฝึกหัด ไปเรื่อยๆซะเลยค่ะอาจารย์นี่เป็นขับข้อสอบไปได้ไหมใช้ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์เป็นแบบฝึกหัดของตัวเองซะเลยค่ะอาจารย์บรรอากาะกสัมโยนได้นนการไวิชาตัวเราค่ะค่ะอาจารย์ก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ลองเผชิญแล้วก็ยอมกับสิ่งที่มันจะเป็นไปะค่ะอาจารย์ก็ ติดใจก็โอเคสุขสบายดีค่ะพระอาจารย์ดีมากไม่มีอะไรนะไม่มีละค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุคนจนคุณจูนเชิญอยู่ที่ไหนคณจูนลองอบถามพัฒการพระอาจารย์ก็ค่ะออยู่ที่ไหนปทุมค่ะอยู่ปรทุมธานีค่ะเมื่อวันที่สิบถึงสิบแปดหนูไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาค่ะเพราะที่นี้ ไปเข้าพอที่ไหนนะที่วูวะพุทค่ะอ่าแล้วเป็นยังไงดีไหมในในวันที่ห้าดีค่ะอืมแล้วเออในวันที่ห้าที่หนูเดินจงกรมอะค่ะทีนี้หนูปวดขามากๆหนูก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยใช้วิธีที่พระอาจารย์สอนว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ไม่ใช่เราอ่ะแล้วหนูก็เลยมองมองไปที่ที่ความปวดเวทนาอืแล้วก็บอกว่า เออเวทนานี้ไม่ใช่เราไายนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ก็หาหาเราอะค่ะก็เลยตัด mm hmm. ก็เลยแบบแขนใช่เราไหมเราก็ตัดตัดออกไปก็ไม่เห็นเออสีฝ mm ้ hmm. าใช่เราไหมหือะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยตัดลําตัวแนวขวาอะคะ่ะไปเจอชิ้นนึงอ่ะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งมันมีอยู่ความรู้สึกของเวทนาเนี้เกาะกับกายมากๆเวทนาใหญ่แล้วก็เกาะกับกายก่อนที่หนูจะ จะเจอชิ้นนี้ยค่ะมันมีความรู้สึกแอกว่ามันมันมีเราอยู่ในนั้นทีนี้หนูก็เลยตัดชิ้นอื่นไปก็ก็ไม่เจอคนที่ได้อ่ะค่ะจากเดิมที่ว่าหนูปวดขามากๆแบบจะเดินจะนั่งแล้วแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินได้ต่อแล้วก็ <cellular. S 2> มันก็มีความจับปวนมากแค่นิดเดียวก็แค่ก็คือเดินได้ก็ดูก็รู้อย่างเงี้ยแล้วใช่ใจเราปล่อยวางใจเราตัดความอยากให้มันหายได้มันก <c oughs> ็สบายอย่างมันได้ แล้วทีนี้หนูตอนนี้หนูก็กาลังจะฝึกนั่งสมาธิให้ได้นานๆนะคะ่ะแต่หนูมาติดที่ว่าหนูท่องพุโทโธแล้วก็พยายามท่องพุโทโธประจำในชีวิตประจำวั น, นะคะ่ะแต่หนูจะเก้งที่บริเวณใม่คล้ายติดเพ่งอคะ่ะจะเก้งที่เอ่อบริเวณหลังคอมันก็ทําให้ทําทําให้บริกรรมพุโทโธไม่ได้นี่มัน่ค่ะมันจะมันจะเกิดความเก้งขึ้นมาเลยอะดูนมได้ไหม เราดูลมแทนได้ไหมอันนี้พุทโธว่าดูลมที่ปลายนมมบุกลมเข้าลมออกที่ปลายนิมมบุกเดี๋ยวหนูจะ้องอ่าลองดูอ่าอ่ะพุทโธอาจะไม่เหมาะเราตอนนี้เราหน้าสมาธิล้วก็เปลี่ยนมาดูลมที่ปลายนิมมบุกแทนไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเฝ้าดูอยู่จุดเดียวจุดตรงที่มันลมเข้าลมออก นั่นก็ไม่น้องคิดอะไรถ้าทำย่ง น, นี้แน่เนียยใจก็สงบได้กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยอ่าโอเคสาึงคุณพูษจากกรุงเทพแวันก่อนคุณเกดมาเด็ดฝากข้อฝาฝากข้อความมาใ ห, ให้จำไม่ได้ข้อควา ม, วามนั้นอ่าสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นโควิด น, นะ ใช่ครับอาจารย์ครับพอบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เข้าสูม ค, ครับพอดีเป็นโควิดครับอาจารย์ก็ <S 2> <S 2> <S 2> มีเรื่องมาเล่าให้อาจารย์เยอะมากเลยครับพอดีพอดีสัปดาห์ที่แล้วครับเหมือนรู้สึกว่าเจอบททดสอบหลายเรื่องมากเลยครับเ อ, อสาเหตุคือว่าผมได้ไปช่วยเป็นจิตอาสาไปผมไปช่วยในงานศพของเพื่อนนะครับคุณย่าของเพื่อนก็เป็นโควิดเสียที่วัดผมเองก็เลยไปช่วยงานเพื่อนนะครับไปช่วยงานศพเสริมน้ําเสริมดูแลเอ ญาติทุกคนนะครับแล้วก็พอดีบังเอิญว่าตอนนี้กลาลังขนศพไปครับก็ลงศพนะครั บ, บ, รบมันมันหลุดออกมาแล้วผมเห็นน้ําเหลืองของศพนะครับมันไหลออกมาเต็มพื้นเลยผมก็เห็นก็เกิดความรู้สึกสังเวชในใจด้วยครับแล้วก็ส่วนในใจก็รู้สึกว่ากลัวเฮ้ยศพเนี่ยเป็นคุณย่าเป็นโควิดเสียนะแล้วถ้า้เราจะเป็นโควิดไหมผมก็เลยอผมก็ไม่ได้พยายามไปคิดอะไรพยายามใช้ร่างกายให้เกิดกุศลมากที่สุดครับช่วยเหลือทุกคนพอกลับมาวันต่อมาครับก็เหมือนมีอาการ ที่อถ้าเกิดขึ้นครับก็ผมก็เลยตรวจผมก็พบว่าผมผมเป็นโควิดครับแต่ผมเองก็ไม่ได้คิดเสียใจแล้วก็ไม่ได้คิดไปหาสาเหตุว่าผมเป็นจากงานศพหรือเปล่าหรือผมไปติดจากที่ออกกาลังกายครับก็เป็นโควิดเลยแล้วก็ก็เลยทำใจโอเคเดี๋ยวเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองนานๆแล้วก็จะถือโอกาสเนี่ยครับในการฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์ก็เลยมีเวลานั่งสมาธิมากขึ้นกับพระอาจารย์แล้วก็สิ่งที่พบเจอก็ มีอาการทางกายเกิดขึ้นนะครับก็คือจมูกผมไม่ได้กลิ่นครับผู้อาจารย์ลิ้นก็ไม่ได้รสชาติครับทานอะไรก็รสชาติไม่มีเลยกลิ่นอาหารก็ไม่มีเลยก็ส่วนในส่วนใจผมเองก็รู้สึกว่าผมก็ไม่รู้สึกทุกอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ทานอาหารแค่มือเดียวครับก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องทุกใจก็รู้สึกดีด้วยซ้ําว่าเอ้ยเวลาเราทานอะไรเราเราก็ไม่ได้รสชาติก็ดีเลยนะ เวลาเราอะไรเราเราก็จะได้ปล่อยเรื่องของเอ่อร่างกายได้ครับจมูกเวลาก็ดีแล้วที่เราไม่ได้กลิ่นเวลาเราไปดมโดนน้ำหอมหรืออะไรเราก็จะได้ไม่ต้องถูกหลงไปนะครับพ่ออาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นก็เลยพกกัดตัวอยู่เราก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่เที่ยงจริงๆคนระับพ่ออาจารย์ผมก็เลยรู้สึกว่าอืถึงคราวที่ผมจะต้องตั้งเป้ทิศทางของตัวเองแล้วคือสัปดาห์ก่อนผมสั่นสงสารพ่ออาจารย์บ่อยมากเรื่องของลาท้าครับพ่ออาจารย์ผมก็เลยมาพิจารณา ตั้งสมาธิครับแล้วก็จนมันรู้สึกได้เองครับอาจารย์ว่าเสื้อผ้าที่ที่ที่พี่ผมมองคนอื่นนะครับตอนที่ผมหายแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันคือเครื่องปกปิดความจริงนะครับก็คือเหมือนร่างกายเป็นแบบที่พ่าอาจารย์บอกเลยครับเหมือนร่างกายเราเหมือนถุงขยะนะครับแล้วข้างในก็มีแต่สิ่งโสโปรผมก็เลยมองเห็นทั้งชายทั้งหญิงแทบไม่ต่างกันเลยครับเขาก็แค่ว่ามีเสื้อผ้าทุกคนเป็นเครื่องปกปิดความจริงเฉยผมก็เลยไม่รู้สึกอะไรแล้วครับเกี่ยวกับ อะไรที่เกลียดเป็นพวกเพศที่ผมเคยหนาพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมก็เอรู้สึกว่าผมโง่มาตั้งนานครับพระอาจารย์รู้สึกว่าเออความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองครับพระอาจารย์ก็เลยพอตอนนี้ผมก็ดูแลร่างกายหายแล้วครับพระอาจารย์แล้วก็มองผู้คนเปลี่ยนไปครับพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยให้อใส่ใจอะไรมากครับพระอาจารย์ทีนี้คําถามคือว่าการที่ผมเนี่ยเอรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมันมันผมควรจะ ทำต่อไปไหมครับหรือว่าถูกต้องนะครับอาจารย์ก็ถ้าเราถ้าเราเห็นว่ามันก็ต้องเห็นแบบเป็นอัตโนมัติไปเห็นไปก็ต้องก็ต้องเห็นการู้กเข้าไปข้างในครับครับอาจารย์ผมเอ่อมันเป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นเองแม่แม่แต่ว่าผมมองมองแฟนผมเองผมก็มองมองเขาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยเสื้อผ้ามาเไม่แค่เครื่องผมปิดจริงครับอาจารย์ใช่ครับ ทีนี้ผมเองก็มีการนั่งสมาธิมากขึ้นเหมือผมสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ผมมีเวลามากขึ้นครับผมแบ็กทูเบสิกเลยคือผมรู้สึกว่าการดูลมเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่พยายามไม่คิดเยอะแบบที่ที่ผมเคยเลาให้อาจารย์ว่าผมพยายามรู้นู้นรู้นี่สุดท้ายผมมาดูมาสังเกตลมอย่างเดียวครับาอาจารย์จนมันพาผมเ อ, อมันนิ่งมากครับาอาจารย์จนผมจับลมไม่ได้แล้วครับอาจารย์ แต่ผมก็พยายา ม, มไมคิดอะไรต่อครับมันเป็นความรู้สึกเย็นทั้งตัวเลยครับอาจารย์แล้วก็มันเหมือนว่ามันมีความเย็นอยู่ตรงลมแค่ น, นั้นนะครับแล้วก็เงียบบางสุกผมก็พยายามผมนั่งได้นานขึ้นครับปกติผมจะนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็พยนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจารย์ครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็สุดท้ายครับอยากจะบอกให้อาจารย์ทราบว่าตอนนี้ผมลดน้ําหนักได้สามสิบโลแล้วนะครับอาจารย์แต่จากดูต่อแล้วเพื่อน ของครเอ่อใช้ระยะเวลาสามเดือนครับคุยก<ม>ับพอาจารย์ตั้งแต่ผมหนักร้อยสาสเจดครับตอนนี้มผมหนักแค่ร้อยเดียวแล้วนะครับ อ, อาจารย์เก่งมากเราลยทั้งยี่สิบเพ่กำลังเีนะครับก็พอดีผมรู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยทําให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เป็นพพุทธโทรจริงครับผมมั่นใจว่า<ม>พุทธโทนีประสิทธิภาพมากจริงเวลาที่ร่างมันฟ้องว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะผมก็เลย ม, มั น, ม, น, ม, นมันรู้ได้เองว่าเฮ้ยร่างกายขขาฟ้องมาแบบนี้ เออแต่ว่าตัวเราตัวเราตัวเราก็ไม่ได้หิวนี่ผมก็ใช้พุโทโธมาแซงมันตลอดเลยมันเลยแบบมันเลยหายไปเองครับเหมือนผมรู้ว่าทานกับความหิวได้ไม่น่ากินได้ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเรื่องเรื่องกายผมก็อ๋อสามารถรู้ได้ครับว่ามันแจ้งเตือนอะไรเราเราก็เรื่องของการมองเรื่องของจริตการมาตั้หาหรือความพึงพอใจกําหนัดผมก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่า อ่บททดสอบต่อไปมันจะมีอะไรไหมครับจหรือเราทำต่อไปวก็โต้ตอนตาตัวตนครับไม่มีตัวตอนเราเราทําตัวร้ายเป็นเหมือนไผตับปาตพีไปทําเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะดูถูกดูแคลนใครจะดาใครว่าก็ปล่อยเขาว่าไปมันเขาไม่ได้ว่าเราเป็นตัวรู้ ครับอาจารย์ครับตัวอาตาเนี่ยจริงๆผมพยายามสู้ตั้งแต่ตอนผมรู้ตัวว่าผมมันมีอาตาเยอะในตอนที่ผมรู้สึกว่าเวลาผมเข้าสังคมนะครับมผมรู้ผมรู้ว่าผมมีอาตาผมก็เลยทําแบบที่อาจารย์เคยสอนผมว่าให้คิดว่าเราเป็นเจ๋งครับเขาแค่ว่าอะไรเราไม่เป็นไรผมก็เลยเวลาอยู่ที่สังคมมาไหนผมก็จะพยายามทําตัวเป็นเจ๋งช่วยงานทุกคนนะครับอ<ม> แ, แต่ที่นี้่มันก็มันก็ยังมีอยู่บ้าง น, นะครับอย่างการณีที่ว่าเราปัจจุบันมันมีโซเชียลออนไลน์นะครับที่ว่า<ม>เราอยากแสดงออก อะไรแบบนี้ครับผมเริ่มเริ่มรู้ตัวว่าการที่เราอยากให้คนอื่นรู้อ่ะมันก็ตัวตัวก็ตัวตัวนะถ้าตัวรู้ไม่ต้องเหมือนไม่มีความอยากมันก็เฉยเฉยไปนะครับเหมือนเวลาที่เรารู้อะไรดีๆแล้วเราอยากบอกต่ออยากให้คนเขารู้อันนี้ก็เป็นกิเลสครับผมก็เลยรู้สึกว่าการโพสต์เฟสบุ๊กหรือการแสดงออกอมันก็เป็นการตัวตนจริงๆครับตัวตัวนั้นนหละเป็นรูปเรียตัวตัวร้อยเอร์เ็นต์ครับ หัวก่งหัวดีหัวน่าหัวรวยหัวสวยหัวหลอกกันครับพ่ออาจารย์ครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยครับมันเป็นพิเรตที่อยู่อยู่อยู่ในมือเราในมือถือเราแท้แท้ครับพ่ออาจารย์ก็เลยจะพยายามผ่านครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้งานมันอยู่เวลาติดต่อกันก็แยกแยงเลยแยกแยะมือเหมือนเม็ดอะเม็ด่ไม่ไว้ใช้ทํางานได้หรือเม็ดรำมาทิ่มแทงเราก็ได้แต่เราไม่เอาม็ดมาทิ่มแทงเราเห็นไหม ครับผ่าอาจารย์ครับอแบบเดียวกันนะเอามาทํำมาอยู่ก็ได้เอามาทำโทยกับเราก็ได้ครับพระอาจารย์ครับก็เป็นสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วรู้สึกว่ามีค่ามากๆครับทุกอย่างเป็นบททดสอบได้ทุกวันเลยครับไม่ว่าจะเจอครัอาจารย์ครับอปล่อยวางร่างกายได้และสบายขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ก็พยายามเมตตาคนอื่นใเยอะครับอาจารย์รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยครับแค่พูดจาเขา เขาได้รับมันก็ต้องมเมตตาต้อมีอุเบกขาคอยประกอบไว้ด้วยนะเนี่ยเมตตาเขาแล้วเขาไม่ตอบสนองเมตตาเราจะเสียใจนะครับใช่ครับเวลาที่เกิดปฏิฆาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมครับผมพยายามให้มากกว่าที่จะไปคาดหวังในความรู้สึกอื่นเขาฟรีๆเลยครับผมไม่มีเลยครับใช่ฟรีๆไม่มีคไม่ต้องการผลตอบแทนใช่ครับคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทําให้เราเรายินดีให้ครับแค่นี้ผมกอ่า เราไม่อยู่เล okay. ถ้าเขาไม่ตอบทนอนก็เฉยๆไปผ่านไปครับภาจาสังข์ก้อนเดี๋ยวเส้นเดือนนี้ผมจะไปคือที่ที่แล้วที่ว่าจะไปอุดรก็ไม่ได้ไปครับเพราะเป็นโควิดก็เลยเดี๋ยวจะไปอุบลไปช่วยงานหลวงพ่อ อ, อง๋งลงกดขับผมทำ ต, ตัว ไ, <ป>ไมไว่เป็นวะครับไปพี่กิบบัณฑิตนะพี่อยู่กลุ่มเดียวกันนะอ๋อครับก็คือพี่หลังครับคือพี่กิจเขาเป็นทีมเดียวกับผมนะครับก็จะเป็นบุคคลทั่วไปที่ว่ามีเวลาว่างครับแล้วก็อยากจะใช้ ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นช่วยงานบุญรับใช้สังคมครับป้าจาย์ครับรู้สึกว่าอ่าครับเหนื่อยมากทำต่อไปอย่าประมาทนะทีนี้เรารู้แล้วเป็นมา น, านุษยยังไม่ใช่เป็นเขาแท้ของจินแล้วเราพอยพิสูจน์ไปเรื่อยๆครับป้าจารย์ครับน้องรับปนำไปปฏิบัติครับป้าจารันครับขอบคุณครับอ่ารย์ที่คนเอาพิสิูจน์ตามธรรมศาสการป้าจันครับ อย่ทางอีสานจะจำไม่น่าจังหวะนะสักคนละครสั ก, ส ก, สกคนงานครับเห็นหลายคนเขาฝึกภาวนาแล้วเขาเอ่อเอ่อเขาอะไรนะเขาเจ็บปวดเขาอะไรพวกนี้ยครับทีจ่จริงแล้วไอ้ตรงนี้มันมันเป็นตัวช่วยในการทําภาวนาไหมครับอาจารย์ก็คือมันเป็นข้อสอบถ้ า, ถ, าถ้าอยากจะก้าวหน้าเราต้องผ่านมันให้ได้เพราะว่าตรงจุดนี้มันช่วยน่าจะเป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งไหมครับอาจารย์ว่าไม่ให้จิตมันปรุงแต่งมากมันก็อยู่กับ มันก็อยู่กับความเจ็บปวดอันนั้นไหมครับ่อาจารย์มันไม่เล็ดสมจิตไปคิดเรื่องอื่นนะครับแต่ถ้ากระทบอย่างที่พี่อาจารย์บอกก็คือว่าถ้าจิตมันยอมรับมันก็ปล่อยวางไปเองมันก็เข้าสมาธิไปเอถ้ามันไม่ยอมรับก็ต้องทรมานมันไปเรื่อยๆไหมครับพอาจารย์ถ้าไม่ยอมรับมันก็ทำมันรับยอมรับไปได้โดยการเข้าวุฒโววุฒโวไปก็ได้โดยใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราห้ามบังคับมันไม่ได้ ครับโดยส่วนใหญ่ <ไป S 2> ก็จะเอ<ว>จิตมันเกาะยึดอยู่มันก็จะเกิดอาการเป็นกันอะไรต่างๆจิตมันไม่ปล่อยวางนะครับเพราะเราอยากให้มันหายไปมันก็เลยมันก็เลยเจ็ บ, บมันก็เลยปวดนี่แแต่ถ้าสติเราดีขึ้นมันก็จะค่อยๆคลายออกไปคลายออกไปแล้วความเจ็บปวดพวกนั้นก็จะหายไปถุกต้องไหมครับต้องถต้าเราพุทโธพุทพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาการเจ็บปวดถึงแม้จะอยู่มันก็ไม่ามารบกวนใจ ครับเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเป็นการขาดสติทําให้ทําให้ความเจ็บปวดนะ่ะรบกวนอยู่ใช่เพราะใจระย่างมันครับครับพ่อจ๋าเราใช้พุทโธพุทโธแล้วก็หยุดความอยากมาช่วยครับครับเมื่อหยุดความอยากตรงนั้นเน่ยร่างกายมันก็จะคลายออกไปความเจ็บปวดตรงนั้นก็จะหายออกไปรบกวนมันก็จะหายออกออกจากใจเราไปครับตรงเนี้ตรงนี้ก็ ต้องเจริญสติให้มากถูกต้องไหมพระพายจาาั น, จนทร์ใ ร, ร่บัญพุทโธพุทโธอย่างงี้ครับตัวนั้นก็จะดึงดึครับพอถึงเวลาเจะทเจับหัวกับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่สนใจอนะไรอยู่กับพุโทโธเองอย่างเดียวครั บ, รบแล้วจิตจะค่อยๆคลายออกนะพายจานทะร์เนาะได้บางทีก็บางทีก็ไม่ค่อยๆปุบ๊บปั๊บอะไรก็ได้จบงบจบบ่ออะไรก็มีครับเพราะว่ามั น, น, น จิตจมันยอมรับเนาะพ่ออาจารย์เนาะยอมรับใช่มันยอมรับแล้วมันก็นะมนไม่ไปต่อสู้ไปยุ่มกับเวทนาไ่ไยให้เวทนาอยู่ไปตามเรื่องของมันลาพ่ออามย์อยู่กันไปครับพ่ออาจารย์ครับโอเคครับ <Okay S 2> ร บ, นะ บ, บกวนพ่ออาจารย์แค่นี้ครั บ, บ, รบสาธุะนะโมะนะโมตาธรรมสการ์พ่ออาจารย์วันนี้ผมไม่มีคําถามครับมาร่วมรับฟังธรรมค่ะ ยังดูกระดูกหรือเป่าพยายามดูอยู่ครับอาจารย์พยายามไม่ลืมนะยังไม่ลืมครับอาจารย์ซ้อมอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้การบ้านเพื่อดูกระจดูหน้าเราก็เลกนแงกระดูกบ้างนะได้ไครับอาจารย์ครับได้ครับโอเคครับอาจารย์ขขอบคุณครับคุณพงพันธเชนมุ่งพันธ์อยู่ที่ไหนเขาทําำอะไรอเมริกันพระอาจารย์ครับ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นครับก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำมาเรื่อยๆครับช่วงแรกก็เป็นเรื่องของอจเจริญสติครับจเจริญสติให้มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่พยายามนั่งนะครับมันนั่งไม่ค่อยได้จิตมันจะฟุ้งซ่านครับก็เลยเปลี่ยนไปเดินแล้วก็ยืนครับเพราะปรากฏว่า พอทําอย่างนั้นไปบ่อยเข้ามันนั่งได้ครับใช่เราไปสร้างสติก่อนให้มี ส, สติให้มากก่อนมันถึงมนันงไดแต่ทีนี้พอพอทําได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นสติเออ่ตอนขณะใช้ชีวิตประจําวันไปด้วยนะครับอาจารย์ก็่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็บางครั้งก็เกิดปรากฏการณ์เยอะแยะเลยครับบางทีเห็นเออ่ แม่บ้านเขาคุยด้วยแต่ว่าแต่ว่าเห็นแต่แต่ว่าเสียงไม่ได้ยินไปแล้วครับเราเราก็เลยกลายกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรต่างๆรอบตัวนะครับอาจจ <c oughs> ครับแล้วทีนี้ก็มีอีกอีกปรากฏการหนึ่งก็คื อ, อ, อไม่ได้หลับตานะครับแต่ว่าบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็นั่งนิ่งๆนะครับเราปรากฏว่าแวดล้อมรอบข้างนะครับก็คือนิ่งเงียบเหมือนกับ ถ้าเปรียบเทียบไปเหมือนกับเอ่อมันหยุดนิ่งไปหมดเลยครับรอบๆข้างอะเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังเงียบใช่ครับ<ม>เป็นเหมือนหนังเงียบครับ<ม>แล้วทีนี้เอ่ออยู่ดีๆตอนนั้นนะครับคือคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงหัวค่ำครับทีนี้ก็เลยเอ่อในใจมันมันบอกว่าว่าง่วงนอนมากต้องไปรีดต้องรีบไปนอนแล้วทีนี้ก็เลยดูเวลา ดูเวลามันเพิ่งมันเพิ่งจะสองทุ่มครับก็เลยก็เลยโต้แย้งกันอยู่ภายในใจครับพระอาจารย์ว่าเออมึงจะไปนอนได้ยังไงนี่ยังไม่ใช่เวลานอนอ่าครับทีนี้ใจมันก็เลยค้านว่าก็ต้องนอนดิเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วตื่นตั้งแต่ตีสี่ทีนี้ไอตัวเหมือนเป็นตัวสติครับหรือว่าเป็นตัวผู้รู้ผมก็ไม่ทราบครับก็แย้งอีกว่าไอ้ไอ้ที่มึงเหนื่อยเนี่ยมึงคือร่างกายหรือว่า หรือว่ามึงคือจิตอ่าทีนี้อ่มันก็บอกว่าร่างกายเราเราก็เถียงมันอีกว่ามันยังไม่ใช่เวลานอนทีนี้มันก็โบยไปทางบอกว่าก็คือจิตจิตจิตบอกให้นอนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็เลยบอกว่าจิตมันจะนอนได้ยังไงจิตมันไ ม, ไม่ไม่ต้องนอนพอมันเถียงกันถึงจุดนี้ครับว่าอาจารย์ความง่วงมันมันหายไปโดยอัตโนมัติเลยครับไม่ทราบ<ม>ว่าปรากฏการณ์อย่างนี้คือ อะไรครับขอกราบขอคาแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับก็ปรากฏการที่เกิดจากการทำให้ลราคิดปงแต่งอรคิดปรงแต่งมากมันก็หายง่วงครับอือครับแต่ว่าหลังจากที่เอ่อหายง่วงปั๊บเนี่ยก็ทำสมาธิต่อได้ได้ค่อนข้างค่อนข้างดีครับตรงจุดนี้ครับครับก็ดีมาปฏิบัไปเดื่อยครับครับครับของผมก็มี คำถามเพียงข้อนี้ครับอาจารย์อเไม่ว่าจะเกิดก็รู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับปิจารณาเป็นเป็นตายรักเป็นไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นอะไรคือว่าเป็นตายรักครับผมครับนะครับคําำวสการครับคุณยินดีถึงอเมริกาแล้วเหรออยู่ที่เซาแคลิร์เนียเรื่องไปัญหที่แคสเซิลนะเซาค่ะเซาแคลิฟอร์เนียค่ะอาจารย์อยู่ที่เดิม ค่ะอาทิตย์นี้ก็คงจะทราบผลนะคะท่านอาจารย์ว่ายังไงอะไรยังไงแล้วบ้านก็ยังบ้านเดิมอยู่นะเนี่ยค่ะที่เดิมอยู่ค่ะทุกอย่างที่เดิมยังไม่ทยายนะค่ะยังค่ะก็รอรอรอคํารอเขาทํางานแล้วก็มาแจ้งเราอีกทีนะค่ะท่านอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดวิเก็ยังยังยังไปทํางานที่เดิมมเดิมค่ะท่านอาจารย์ เขาไม่นานเขาไม่กินเขาไม่ไม่ถึงเดือนไม่เป็นเดือนเนี่ยไม่รู้ก็แล้วแต่ก็ยังไม่ทราบเลยค่ะถ้าอาจารย์ก็แล้วแต่ก็คิดว่าเอภายในทิตย์นียค่ะก็คือก็รอกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าภายในอาทิตย์นี้คงจะรู้ผลเพราะว่าทางฝ่ายบุคคลทางสำนักงานใหญ่เขากำลังทำกำลังทํางานกําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่อะค่ะถ้าอาจารย์ก็รอไปรอใจเย็นเฉยไป ค่ะค่ะท่านอาจารย์ก็เรื่อยๆก็เฉยทุกอย่างก็ตาม <ไป S 1> นะ <ไป S 1> ตามธรรมชาติใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็แล้วแต่ก็คือทําตามหน้าที่เราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดวิก็ปากราบท่านอาจารย์แล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็เช้าก่อนจะไปก็บอกวันนี้วันพุธ น, นะท่าอาจารย์มานะเขาบอก<ช>เอนี่ยแล้วก็เย็นบอกมอนซองเต้ท่านอาจารย์ด<ช>้วย ครับรับความคิดเห็นให้ด้วยนะค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณเปัญญาสูงค่ะท่านอาจารย์บรสาธุคุณตายอาจารย์พัทยาน้องกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะท่าอาจารย์เข้ามาฟังค่ะเดี๋ยวที้ฟังฟังได้ทุกทุกครั้งแล้ไม่มีปัญหานะ ค่ะไม่ค่อยมีปัญหาคะ่ะอาจารย์ถ้ามีความตั้งใจแล้วมันก็ทําได้นะไม่ได้คะ่ะพระอาจารย์คราวที่แล้วที่ข อ, อว่าจะ่าเราจะตั้งใจทําในสชิกอ่ะคะ่ะไม่ผ่านคะ่ะไม่ผ่านคนะ่ะก็แบบว่าก่อนจะก่อนจะทําเนี่ยแบบตั้งใจแต่ว่าพอเราบอกว่าเราจะทําปุ๊บอาการปวดท้องมันมันหนักมากเลยพระอาจารย์<อ>หนูก็พยายามเดินเดินจงกรมเดิน ปวดมากก็นั่งนั่งเสร็จก็ยังไม่หายปวดก็เดินให้มันหายปวดแต่มันก็มันก็ยังปวดอยู่ก็ปวดมากๆเลยก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละค่ะพระอาจารย์หรือทั้งนั่งนั่งนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างสลับกันแต่ก็ไม่ผ่านแล้วก็เอายามาทาท้องก็เลยว่าโอ้คงไม่ไหวละก็เลย เอาเท่าที่ไหวอย่างพระอาจารย์สอนมาตั้งตั้งใจไว้แค่เอาเท่าที่ไหวก่อนอทำให้ตามกำลังของเราเทนั้นก็แต่ก็จะพยายามทําจะพยายามทําทุกๆวันผ้าค่ะจะลองปีกจะลองปีกวิเวกอยู่คนเดียวหลังบ้านนะคะอาจารย์ดีติดไว้ค่ะพระอาจารย์ไม่คุกเขี่ะไทยปีกไม่แย่ตัวออกจากคนเดินค่ะแต่ก็รู้สึกว่ารู้กําลังของตัวเองว่ามันยัง อาจจะไปไม่เห็นตรงนั้นแต่ก็จะพยายามทําค่ะท่าอาจารย์อ่าไม่ได้อยเร์เ็นาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีงนี่ก็ไม่ได้ทําะครัค่ะจะลองจะลองทุกพระละกันค่ะท่าอาจารย์แต่ก็จะตั้งใจว่าเอาเท่าที่ไหวเหมือนท่าอาจารย์สอนนะคะโอเคอเค่ะท่าอาจารย์คุกอนชัยอยู่แบบก็อยู่ค่ะส่วนมากก็จะนั่งอยู่ทํา ง, งานค่ะอันนี้เข้าห้องน้ำอยู่ S <S ไม่ออกมาเลยคะพะอาจารย์ค่ะทางนี้ก่อนนะป้ากลับค่ะคุณฟางว่าอะไรทักสินรัชากลับนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์หนูหนูขออนุญาตแจ้งพระอาจารย์ค่ะคือเมื่อช่วงที่ฟังทำหน้ากุฏิก่อนๆ น, นะคะเวลานั่งขัดสมาธิแล้วฟังธรรมคะ่ะจะเปลี่ยนผ้าบ้างสอ ง, ส, องสามครั้งพอเมื่อครั้งล่าสุดที่ไปจ้คะค่ะ หนูเพิ่งก็มารู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนท่าเลยคือทนนะคะมันต้องเริ่มจากการนั่งตัวตรงๆก่อนเพราะว่าถ้านั่งตัวโค้งไปนะคะมันจะทําให้ตัวน้ําหนักมันกดทับแล้วทำให้ให้มันปวดขาแล้วมันจะทําให้ให้ต้องเปลี่ยนท่าหรือว่าถ้านั่งเลยไปเงี้ยเวลาแบบเคลิ้มๆ ม, มันก็จะสับแล้วมันจะหงายหลังหนูก็เลยว่าอ๋อถ้าเรานั่งตัวตรงดีๆค่ะมันก็หนูก็สามารถนั่งตั้งแต่ต้น ต้งแต่ที่พระอาจารย์เทพจนเทศจบเลยเจค่ะทีนี้หนูก็แลตัวนี้มาใช้ต่อที่บ้านจ้ะเออนั่งสมาธิได้ได้ดีแล้วก็นิ่งขึ้นมากๆเลยจ้าค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์นะจ้าค่ะกด่าไปนะค่ะค่ะนะ ค, ะะคะสุดาพรสดาพ อ, อยู่ที่ไหนพูดได้เลยดหน้าหม่ ไม่มีอะไรค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกมาฟังเฉยๆค่ะแล้วก็ตองการนะค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ ะ, อะโอเคแต่งานเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปนะาปที่คุณหมอวินผพันธ์แจ่มคุณมอจากการรักษาการครับผมมาแต่งานร่า อ๋อวันนี้ตั้งใจมากราบอาจารย์ครับไม่ได้ไม่ได้มีคําถามอะไรครับผมยังปจบบิบัติเหมือนเดิมอยู่นะยังยังตอนเช้าเท่าเดิมอยู่ครับอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบใหม่ไม่ได้เพิ่มไปที่ครับอาจารย์ิดนิดิดนี่แต่มีความตั้งใจอยู่ครับแต่ตอนเช้าชัา่วโมงหนึ่งได้ทำตลอดอยู่ครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอคุณพระเจ้าเลยดีว่าเช้าเลย าอาจารย์คะเข้ <laughs> ามาครั้งที่สองค่ะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมีอะไรัหมมีคำถามค่ะปกติเวลานั่งอะค่ะจะอาศัยดูลมหายใจแต่ช่วงหลังๆนี้เหมือนการดูลมหายใจมันหนูไม่ได้ใช้ปัญญากำกับเท่าไหร่ค่ะก็เลยลองใช้ปัญญาคือไม่รู้ว่าไปถูกทางหรือเปล่าแต่ว่า เวลาชีวิตประจําวันอะค่ะก็คือเหมือนเอาข้อธรรมมาพิจารณาทุกเรื่องสมมติเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิจารณารำไปเรื่อยๆพิจารณาให้เกิดปัญญาไปเรื่อยๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกไหมในการแบบเหมือนทําวิปัสสนาค่ะอาจารย์ก็มันก็ทําได้เป็นแต่ว่ามันอาจจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยเ่าเรายังไม่ได้มีสมาธิถึงแม้จะพิจารณามันก็อาจจะไม่ ไม่เกิดประโยชน์มากนะเพราะเราพิจนารณาแล้วแต่เราค่อยยังอาจจะปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลัง<ะ>งั้นทางที่ดีถ้ายังถ้ายังไม่ต้องพิจารณานได้ก็จะดีกว่าใช้หยุดความคิดใช้พูดโทพูดโทรหรือใช่เฝ้ากาันเฝ้าดูาการเคลื่อนไหวต่งางๆของร่างกายไปปกติจะใช้สติไปก่อนค่ะ ใช้เป็นออผมขนเล็กฝันหนาค่ะพระอาจารย์ว่าอยากจะถามลงในรายละเอียดอีกนึงค่ะถ้าใช้เป็นกายคตตาสติผมขนเล็กฝันหนาอย่างเงี้ยค่ะหนูไปแบบช้าๆได้ใช่ไหมคะคผมมันมั น, ม, นมันอยู่ที่ว่าเรากาลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรก็พิจารณาอาการสารทีสองได้แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวทำงานทำการนี้ก็ไม่ควรจะใช้อาการสานทสอง ควรจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ใค่แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่นั่งสมาธิอย่างน้ เ, เจะพิจารณาการหายสองไปก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ถิ่นนะมันเยอะมากเลยค่ะจิะ <laughs> พ<บ>ักห้องนอนเนะี่ยแบบมันช่วงนี้มันมีเรื่องเยอะค่ะพระอาจารย์เรา เหมือนเวลาจิตใจมันฟุ้งซ่านมันก็ออกไปข้างนอกเราก็ตะโกนพุดโทข้งนดังๆพูดพูดมันโทไม่ได้หรอกนี่เป็นทําแบบโมโหทําแบบมันเรียกมันทำแบบใจเย็นมันทำแบบใจเย็นธรรมดาธรรมดาพุดโทมันเรียกแล้วมันมันก็ไปอีกเราก็ต้องเรียกกลับมาไปเรียกกลับมาเนี่ยค่ะนอนตอนคืนก็เหมือนแบบช่วงนี้เครียดนี่เรื่องแบบทำทำรีมันยจริง ยิงเป็นการแสดงความโกรธนะว่าเราต้องใจเย็นๆช่วยเฉยไม่รู้ไม่ชีพุทโธพุทโธพุทโธไปเราจะไปไหนฉันไม่สนใจฉันจะอยู่กับพุทโธแค่นี้ยดีกว่าถ้าเราอยู่กับพุทโธเนี่ยมันก็กลับมาเองไปไม่ได้ก็คือถ้าสมมติมันหลุดไปอีกก็ค่อยๆพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธเราไปเรื่อยๆมันต้องค่อยกันนะพุทโธแบบให้มันแบบสบายสบาย พุทโธพุทโธชา้าเกินไปก็ไม่ดีเร็วกินไปก็ไม่ดีก็ปั่กลางทางสายกลางสบายสบายพุทโธพุทโธพุทโธุโธพุทโธไปไม่ไม่ไม่กับเวลาที่เราพูดคุยเงี้ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องชา้าเอาแบบตามตาตามธรรมชาติอ่าอาจารย์คำถามมีประมาณที่ค่ะกล่าวระมุนค่ะโอเคแล้พยายามน ะ, ะตัวสติพุทโธไว้ก่อน เรื่องปัญญาไว้รอที่นไไังก็ได้เม่องไม่ร้อนๆอยากอยากข้ามขั้นตอนเอาสติให้ได้ก่อนนั้นเดี๋ยวค่อยไปเอาปัญญาตอ่ไอไหมครับสาธุตั้พะอจาโอเคคุณบอสพ ร, ทร า, าทอนอยกขอทวงถามนี้ธรรมสก า, านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีคำถามเนะ่คุณชญยยานิดยามาได้ พยายามยายามนิดนิดหน่อยกาวัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีคืนเราจะถามเรื่องออ๋อมาส่งการบ้านค่ะที่พระอาจารย์ให้ไปอ่านที่ปฏิสังขายโยนิโสเจ้าค่ะเอ่าเป็นไงได้เรื่องไหมก็ได้เป็นเป็นบทสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ <c oughs> เป็นคําสอนอย่าแต่เข้ามาเป็นบทสวดมนต์แต่ก็จะเป็นคําสอน ให้พิจารณาปัจจัยสี่เวลาที่เราจะบริโภคาะตนที่เราจะบริโภคเวลาเราบร่อยเพปัจจัยสี่เพเหตุผลอันใดเจ้าค่ะก็ไม่ให้เป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานประมาณนี้คิดจะ เ, เป็นเพื่อประโยชน์ประโยชน์สุขของร่างกายทําเพื่อประโยชน์สุขของร่างกายไม่ได้ทําเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกสนานของใจ ใช่ค่ะใจของแบรนด์เนมเนี่ยมันการสรึกสร้างของใจแบรนด์เนมก็ไม่แบรนด์เนมันก็เป็นเสื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ไห ม, <laughs> มพยายามเจ้าค่ะช่วงนี้ลดเยอะแล้วค่ะเจ้าพ <laughs> <laughs> าะจันทร์ทำย้ายมีมากเกินเกินต่อความต้องการของร่างา ก, กาย วันนี้ก็โลเจ้าค่ะอันนี้ก็โลไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปทำบุญทำทานบ้างเจ้าค่ะแล้วอย่าไปซื้อมาเพิ่มเลยพอไปลดแล้วมีมี <_ S 1> ที่ว่าเก็บก็เลยซื้อใหม่ได้ <_ S 1> ที่จริงก็ประมาณนี้ละเจ้าค่ะแต่ว่าก็พยายามลดลดคือกิเลสอ่ะเจ้าค่ะมันมันไม่ได้หมดไปเลยแต่ว่าเหมือนกับก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างก็ดีก็พยายามลดไปเรื่อยๆก็แล้วกัน แล้วค่ ะ, คะพระอาจารย์เจ้าค่ไหนจะอ่าถามเรื่องพระอาจารย์หน่อยว่าพอดีนอนนะคะแล้วทีนี้เหมือนกับเข้าสมาธิที่จริงเป็นแบบนี้หลายทีแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจิตพักหรือเปล่าเพราะว่าเขาดึงตัวเองออกจากร่างกายอะเจ้าคะ่ะเห็นตัวเองนอนถ้าจิตพักมันจะไม่ฝันไม่ไม่ได้ฝันเลยเจ้าค่ะเพราะว่ายังไม่หลับ ถ้าจิตรูเ้เฉยๆก็จะแล้วจิตพักหนึ่งหถ้าจิตไม่ปรุงแต่งก็จะแล้วจิตพักและจต่ว่าตแต่ ง, ต ก, งตก็ยังไม่แล้วแต่ว่ายังไม่พัเห็นตัวเองออกจากร่างกายอย่างนี้ให้ดึงเข้ามาพุทโธใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องออกใช่ไหมเจ้าค่ะเรากำลังทำสมาที่ล้วกาลังจะนอนกําลังจะนอนเจ้าค่ะกำลังจะนอนก็ก็ไม่ทํางไปสนใจกับอะไรเนื่อเดนมันจะนอนไม่หลัะ ก็เนี่ยค่ะก็คิดทั้งคืนเหมือนกันเจ้าค่ะเพราะว่าก็งงเหมือนกันว่าแล้วจะออก อ, อกหรือว่ากลับมาดลมกลัมาดูลมหรือกลมัลมาอที่พุโทโธเนะี่ยอย่าไปตามเรื่องราวต่างๆเจ้าค่ะ <respects. S 2> <Adobe> แต่ว่าคือตอนนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกันนะเจ้าค่ะแคนั้นแหละเพราะพอเราไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมมันก็เป็นอ๋อ ก็เนี่ยค่ะพอฟังธรรมะพระอาจารย์ฟังคําสอนพระอาจารย์ก็พยายามดึงกลับมาเจ้าค่ะถ้าเวลา ย, ยึดใจนะไม่งั้งนมันจะถูกอาอารมณ์ต่งางๆหลอกล่าไปนะสิ่ง<อ>นี่ก็ากฏขึ้นต่างๆเราเรียกว่าอารมณ์ธรรมะ<อ>เจ้าค่ะเป็นอย่างนี้เองต้องมีลายยึดใจต้องมีนมต้มีพุทโธยึดมาเจ้าค่ะเอพระอาจารย์เจ้าค่ะ พอดีเรื่องรถอัตราตัวตนกับมานะนี่คือคล้ายๆกันไหมเจ้าคะเพราะว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันมาณ์ก็ถือตัวต่ถือว่าเราถือว่าเราสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือต่ำกว่าเขาสวยกว่าเขาดีกว่าเขาอะไรงเหรือสู้เขาไม่ได้ก็เป็นตัวตนธรอมดาถ้าอย่างนี้ก็คือว่า ให้คิดว่าตัวเราไม่ใช่ของเราถูกไหมเจ้าคะตัวเราเป็นเพื่อแค่ผู้รู้เนั้นเองเราเป็นผู้รู้ใค<ห>รจะรรดา่าจะว่าก็รับรู้ไปเหมืนเหมืมอนไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนคุณด่าไมโครโฟนไมโครโฟ น, ม, ฟนมันไม่มันไม่โกรธเราใช่ไหมเจ้าค่ะอะจะชมมันก็ไม่มันก็ไม่ ม, ไ ม, มันก็เฉยหมดไมโครโฟนมันมีหน้าที่รับรับเสียงใจก็มีหน้าที่รับรู้เท่นั้นเอง คือถ้าอย่างนี้ต้องไม่น้อยใจต้องไม่ต้องไม่แบบหยิ่งจึงเกินไปต้องฝึกดูเบรคขาเยอะๆเหมัอนเดิมเป็นได้ถ้าไม่มีเบรคขามันก็ยานมันก็จะมีอารมณ์ตอบตอบโต้ทันทีอืมเจ้าค่ะเพราะว่าไหนไหนก็สงสัยอยู่<ม>คือบางทีมันมีอารมณ์ที่แบบว่ารู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์ไหนก็เลยคิดถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันเป็นตัวเรา<ม>หรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่าเป็นตัวเราแสดงว่าก็ยังเป็นอัตตาอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าคุยถามตัวเองมันก็เป็นตัวต่ตัวตัวตนนั้นเองต้ไม่ถามไม่ต้องอะไรต้องเฉยเฉยต้องรู้เฉยเฉยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วแล้วความว่างที่ผุดขึ้นมาที่เห็นที่อยู่ดีก็ขึ้นมาอาาแสดงเราต้องเอาอารมณ์ตรงนั้นมาเป็น ยึดไว้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่ใช่น้ก็ยังใช้ลมใช้พุโทโธอยา่เหมือนเดิมอะไรปรากฏขึ้นมานี้มันอ ย, อย่าไปยึดมันเพราะมันไม่เที่ยมมันไม่แน่นอนเจ้าค่ะแล้วแต่ว่าเห็นความเห็นยังคิดอยู่เลยว่าแล้วความว่างเราไม่มีตัวตนแต่ว่าได้ยินเสียงเราคิดมันไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ตัวที่ได้ยินก็นเป็นตัวรูไ้ไง ต้อไม่เชยเฉยไม่ใช่ตัวเจ้าค่ะเราจะพยายามแยกไม่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรู้ไม่มีตัวรับรู้ไม่ไม่ไม่มีตัวตอบโต้รบรู้ใชยเฉยแต่ไม่ไปตอบโต้กับสิ่งที่เรารับรู้ถ้าไปตอบโต้ก็ทดตัวตนออกมาแล้วเป็นแต่ฝ่ายรับไ่าเดียวเพื่อนง่าย รับาด่าเราก็เขาด่าเราก็รับรู้ว่าเขาด่าเราเขาชมเราก็รับรู้ว่าเขาชมเราแต่อย่าไปตอบโต้เขาเขาด่าเราก็โกรธเขาเมื่เขาชมเราก็ดีใจแสดงว่าเนี่ยมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนก็รู้เฉยๆอ่านึกว่าเขาด่านึกว่าเขาชมนึกว่าคนยากเย็นใส่เราจะค่ะ แล้วเราคิดอย่างนี้ได้ไหมครับพอเขาด่าได้เขาก็ชมเราได้เขาชมเราได้แล้วก็ด่าเขาก็ด่าเราได้อย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะก็ได้เพื่อที่จาได้ตัดตัวต อ, อัตตาเอ๋อถ้าเรายังต้องคิดอย่างนี้อยู่มาแสดงว่าเราใช้ปัญญาสอนใจเราว่ที่จริงอ่าอย่างที่ผ้าจาย์สอนก็คือว่าให้ลงสมาธิเป็นนานๆก่อนเราค่อยมาออใช้ปัญญาใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ถ้ามีสมาธิมันก็จะมีอุเบกขามันก็จะ มันก็จะระงับตัวตนได้ชั่วคราวจะไม่เฉยๆพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคือที่จริงอะ่ะหน่อยอดข้าวเย็นถือศีลหกทุกวันทุกวันจันทร์แล้วทีนี้สองอาทิตย์แล้วที่หน่อยทำไม่ได้ก็ลงโทษตัวเองดูเลยลงโทษตัวเองเคยเคยซื้ออะไรก็ตัดมันอย่าไปซื้อมันมันจะได้เข็ดหลับ ใ้าค่ะเพราะว่าวันทุกวันจันทร์เนี่ยจะเคลียร์ตารางทุกอย่างให้ว่างเพื่อที่ตัวเองจะได้แบบไม่ต้องทํางานอะไรเลยลองดูซิว่าอถ้าไม่ทํางานอะไรร่างกายไม่ทําอะไรจะหิวไหมสรุปก็ทําอยู่ดีเจ้าค่ะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นทําไม่ทํา <c oughs> มันก็หิวแต่มันร่างกายไม่ได้หิวหรอกมันที่หิวก็คือใจอืเจ้าค่ะใจมันไปคิดถึงอาหารป้ามันก็หิวแล้ว ขอให้กินอิ่ใหม่ๆแล้วเราไปคิดถึงอาหารดูมันก็อยากจะกินได้ใหม่ก็ไม่หิวอยู่นะคะเจ้อค่ะเพราะว่ามันจุกอยู่ที่คอบางทีก็ยังไม่หิวถ้ากินอิ่มเราใช้สติคอหยุดมันเราใช้ปฏิกูลเวลาคิดถึงอาหารคิดถึงอาหารที่เราเราเราถ่ายออกมาอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเจ้าค่ะ หนจะพยายามทําให้ได้เจ้าค่ะรู้สึกรู้สึกผิดมากที่อดทนไม่ได้สองอาทิตย์แต่ไหนจะพยายามทําให้ได้ให้ถึงที่สุดเจ้าค่ะ อ, ะ อ, อะค่ความพยายามอยู่ที่ไหนครับสําเร็จแล้วนะเจ้าค่ะไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ ะ, ะสาธุค่ะไปที่คอนสบัาตต้าเท็กซัสยาร์ดสเท็กซ กลับนมัสการพระอาจารย์เจบค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคไม่ได้สมชายเป็นเชเนี่มาแล้วมาแล้วกับท่านพระอาจารย์ครับก็ท่านเห็นผมทำกันทุกวันก็เลยก็จริงครับอันนี้อาจจะเป็นกลุ่ยดีหน่อยก็ได้แต่ว่าเมื่อวานนี้การ อ่าผมต้องลืมโทรศัพท์อยู่ที่โรงงานอะไรก็ทําให้เพราะว่าเขามาทำมันมันเกินผมก็ผมลืมว่าพุทธโทพุทธโธนี้ช่วยได้ผมกลับไปบ้านผมก็ถึงเครื่องทางผมเลยเออวันนี้ใช้พุทธโทอย่างที่ท่านพระอาจารย์เคยสอนแล้วก็ อ, อ่า ล, ล เ, ออเคยสอนผมก็เลย สงบลงได้ครับก็เลยว่า <S <S เออนั้นก็ก็ใช้อย่างนี้ไปอจนตอนเช้าผมก็เลยมาเอาโทราศัพท์ที่โรงงานการที่ใช้ความสติความสมาธินใช้ได้มากช่วยได้ครับไม่ให้ไม่ให้เกลแบบว่าไม่ให้มี reaction ไม่ให<อ><ม>้มี reaction เฉยเฉยนะ ครับอ่าเดียร์เพจการอ่าฮก็ผมคิดอย่างหนึ่งอีกว่าการที่อ่าผมก็เรียนอั น, นี้มาเรียนภาษา น, นี้มามากผมก็เลยาการที่ใช้พูดสองภาษานี้ก็เสียอย่าง <c ười> คือพูดไม่ตลอดนะฮะแบบว่าพูดไม่ตลอดเลยครนะอ่าพูดไม่ตลอดจะ <c ười> ไม่เหมือนกับออริจินอลครับอันนี้ก็ผมก็ผมก็ฟังไปเตพอเข้าใจครับผมก็ได้จะได้เรียนรู้ต่อไปอาจจะพูดคุยกับเพื่อนเขาจะได้เข้าใจได้ครับครับครับครับก็นี้ช่วยได้ก็อย่างที่ท่านอย่างที่คุณบอยดับเอร์นกแล้วก็คุณบอยเคยแนะนำเอ็กซ์เพรสวิสว่า Nang somati meditations and uh, do for, for that so you can calm down. Okay. g h a n k o u Thank you. Okay. เมื่อกี้คุณสัมผัสาผ่านแล้วใช่จไม่ได้อไปเยเนนต่อเนนเนนได้ นามัส ก, การข้พาพเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ประทุมธานีครับมีอะไรไหมก็มากราบพระอาจารย์แล้วก็มารายงานการปฏิบัติว่าก็ผมตอนนี้ก็จะนั่งกันคืนอย่างเดียวครับอย่างน้อยก็สิบนาทีก่อนนอนหรืออาจจะเลยไปแล้วแต่แล้วแต่ความฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ ครับแล้วก็อ่าในบางเวลาก็จะดูความคิดตัวเองครับว่ามันไหลออกนอกแล้วก็พยายมดึงมาให้อยู่กับตัวเฉยๆครับ ใ, ให้ปล่อยมันชิดจะปล่อยอให้มันคิดคิดเท่าที่จำเป็นถ้าไม่ไม่จำเป็นอย่าปล่อยให้มันคิดสัญญาชอบโผล่มาครับหรือไม่ก็อะไรที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยมันจะเข้ามากระชดผมก็ดึงกลับมาครับ ใช้พุทโธยังเข้าสมารครับยังเข้าสมาธิไม่ได้เหมือนเดิมครับยังยังไม่ได้ไกลสิบนาทีมันก็ไม่ได้ครับหลายเดือนแล้วครับไม่ได้เข้าหลายเดือนแล้วครับฝึกสติให้ ม, มากๆพุทโธให้บ่อยๆครับโอเคนะไม่มีอะไรนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคคุณซเซเวนตอน USA เมริกาครับ กาจารย์พระอาจารย์เนาะค่ะวันนี้โยมก็ไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะ<ม> <laughs> ก็ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนหลังๆมันจะมีความกลัวเข้ามาค่ะพระอาจารย์เหมือนไม่มีสาเหตุอะค่ะแล้วก็ไม่รู้กลัวอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับในสมาธิมันมีความกลัวค่ะก็โยมก็พุทโธพุทโธพุทโธไปบางทีมันไม่หายอะค่ะต้องทายัางไงต่อคะ่ะพระอาจารย์ ก็ทําต่อไปเลยถ้ามีทํานานมันก็ไม่หายถ้ามันยังไม่หายก็ต้องพุทโธไปจนกร่ามันจหายเหมือนมัอนกินยากินยาถ้ามันยังไม่หายก็เรากินไปเรื่ยๆจกว่ามันจะหายแล้วแล้วถ้าสมมติว่าโยมไปพิจารณาว่ามันเป็นเวทนาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสังขารหรือเปล่าเหมือนมันเหมือนมันจะหลุดไปพิจารณาว่ามันเป็นสังขารมันคือสิ่งที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวงพอไปอยู่ตรงนี้พอไปคิดถึงตรงนี้แล้วมันก็ มันก็หลุดมันก็หลุดเหมือนกันนะคะก็ได้ถ้าวิจารณาแล้วทําให้ความกลัวหายไปก็ใช้ได้ใช่ได้ใช่ไหมคะ<ช>ค่ะยมก็ก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะผู้อาจารย์ก็ใช้สติ<ล>ก็ได้หรืห<ม>ใช้ปัญญาก็ได้มันเหมือนมันไม่ถึงาากั่แล้วอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับมาที่ฟุตโตก่อนช่วงนี้ก็ช่วงนี้ยมก็อากาศที่นี่มันดีอะค่ะผู้อาจารย์พอตอนเย็นจะเข้ามาปฏิบัติก็ ก็พักผ well okay. ่อนก่อนก็เลยไม่ได้ทำนี้เท่าไหร่อะค่ะแต่ก็อค่ะแต่ก็ยังัำฐานอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะอยู่ที่เซเวอร์สเพนเหมือนกันใช่ไมไม่ได้กับคุณซาเจ้าค่ะนะอ๋อค่ะพระอาจารย์ยมยมได้ไปพบกับคุณซะเจ้ามาแล้วนะคะก็เอาอุ้ยเขาเขาหน้ารักค่ะเขาเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากกับเรื่องศาสนาก็เล่าให้ฟังไปหมดเลยแล้วก็ เอาภาพของพระอาจารย์ไปไปให้เขาแล้วก็เอาบุ๊กมาร์กที่ที่ไม่ชินมะเหมียวให้ม า, าไปให้เขาค่ะเขาดีใจน้ำตาไหลเขาดีมากเลยค่ะนั่งคุยกันอยู่ต้อง <laughs> ม, มีเพื่อนสาทำไมิกาใช่ค่ะยงก็บอกเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาแปลกใจมากเขาอยู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ๆก็จะมีคนที่น่าจะมาจาก Zoom meeting พระอาจารย์นี่ละคะ่ะอยู่ๆก็จะมีคนมาโชว์อัพหน้าบ้านเขาแล้วก็เอา เขาเอาของมาให้เขาไม่ว่าจะเป็นพุ๊กตลูกไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นโพสการ์ดแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่ามีคนแวะมาบ้านเขาบ่อยมากแล้วยอมก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอันนีค่ะยมกยไม่ไกลยอยู่เมืองเดียวไม่ไกลไม่ไกลเลยค่ะพัทยมขับรถผ่านบ้านเขาบ่อยมากค่ะเพียงแต่ยมทราบคุณจี๊อยู่อยู่ไกลกว่าคุณจีบอยู่ไกลกว่า จิบอยู่ห่างไปประมาณสามสิบไมล์ได้ไมั้งค่ะก็คือขับรถประมาณแต่ก็คุยกันบางทีอะค่ะพระอาจาร์บางทีเราไปรับรู้แล้วฟังเรื่องราวต่างๆมาแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วก็เหมือนกับใจเราก็ใจเราก็ไปยึด ต, ติดกับคำพูดของเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะลดมันได้อย่างเช่นเมื่อเพื่อนมีปัญหาแล้วมาปรึกษาเรื่องชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาไปแล้วแต่เหมือนใจเรามันไม่ยอมหลุดออกมาจากความคิดตรงนั้นนะคะบางทียมนั่งสมาธิยมก็ยังมานั่งคิดว่าเออเราน่าจะพูดแบบนี้เราน่าจะบอกอย่างนี้มันน่าจะมีผลที่ดีกว่าอย่างนี้การการไปรับรู้เรื่องของเพื่อนหรือว่าเรื่องของอาจจะเรื่องของที่ทํางานต่างๆเข้ามาเนี่ยอย่างนี้สู้เราเราับรู้ได้เพียแต่ว่าพอมันผ่านแล้วก็ต้องผ่านต้องหยุดมัน ถ้าไม่อยู่ก็ลองใช้สติพุทโธพุทธโทอยู่มันใจเรายังไปติดข้างอยู่ บ, บอารมณ์เก่าเนี่ใช่ค่ะอ<ม>าจารย์ยงรู้สึกว่ายมน่าจะทําได้ดีกว่านี้น่าจะพูดน่าจะให้คําปรึกษาได้ดีกว่านี้นะคะ่ะให้คําสึกธารมไปแล้วก็จบ<ม>อย่ามาคิดคิดได้แต่คิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลคิดแล้วก็จบไปทางหน้าท่ามีโอกาส ก, าก็ค่อยว่างข้นใหม่ แต่แนี้มันผ่านไปแล้วก็เลิคิดได้แล้วก็พยายามจะต้องกลับมาว่างอุเบกขาใหม่เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็เป็นความเมตตาะช่วยกันได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องเป็นอุเบกขาไปค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ยุติอะรแล้วค่ะพระอาจารย์มาจับพระอาจารย์ได้พระจูท่านนี้ก่อนนะค่ะ ไปที่คนทัชเลกนเลกนดีก่อนมาประชุมอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกได้มารับฟังค่ะอันนี้ใส่ชุดทางานเนียใช่เจค่ะูอใส่ชุดทงานเลิเลิกอเลิกแล้วค่ะวันีลูกมาจากกรุงเทพพาไปทานข้าวบางีก็เข้าๆหลุดๆค่ะอดีสอบ มามารับฟังไม่มีค่ะค่ะวันนีคุณทยาตตต่อคุณทยาต์นรัตการครับอ่ามีอะไรไหมวันนี้ครับมีจะมีปัญหาสอบถามเรื่องการใช้ปัญญาในชีวิตประจําวันนะครับคือพอดีไปพบเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งก็ไม่มีฐานะอะไรหรอกนะครับรักจานเช้าชามเย็นชามมีกินมากไม่มีกินมาก ก็นั่งคุยกันข้างทางแกก็เล่าว่าแกก็ไปรับจ้างล้างจากสองวันนะครับวันละสองร้อยตอนนี้พอถึงวันที่เสร็จงานเขาก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้แกก็เลยคุยกันว่าทําไมล่ะนะฮะแกก็เลยบอกว่าอย่างแรกแกไม่กล้าไปทวงหรอกเพราะแม่ค้าคนนั้นปักจัดแกก็เลยไม่เอาปักใจอย่างที่สอง คุยไปคุยมาก็แกก็คิดว่าเอออันนี้เป็นกรรมเก่าแก่เนาะแกก็คงทํากรรมเกิดใบมาชดใช้ปักใจได้แบบที่สามอันนี้ผมคิดเองก็ต้องถือว่าเขาเป็นคนเช่นนั้นแหละเขาไม่ให้เราจะมาคับยังไงเขาก็ไม่ให้ไปทวงเขาก็ไร้ประโยชน์เป็นโทษปเปล่าๆก็ไปปล่อ ย, ปอ ย, ปอยไปนะครับอันนี้ถ้าสามอย่างแบบเนี้ยอันไหนเรียกว่าปัญญาทางธรรมครับ อันที่สามเนี่ยอันที่สามเห็นเขาเป็นอนัตตาไปเห็นเขาเป็นเป็นลธรรมะอ่าเป็นเป็นธรรมชาติเป็นดินฟ้าอากาศไปอ๋อครับเพร้ข้อสามนี่ก็คือจะเรียกว่าการใช้ปัญญาถักทับใช่ไหมครับใช่้วก็ต้องดูผลด้วยว่ามันทําให้เราดับความทุกข์ได้หรือเปล่ า, าอ๋อครับครับเพราะ อ, อันที่สามนี่ผมคิดเองเพราบผมเคยใช้วิธีแบบนี้กับชีวิตปัจจำวันของผม อ, อยู่เกัน <laughs> ถ้ามันใช้ได้ถ้ามันทําให้ใจเราเย็นไม่ไม่ไม่วุ่นวายก็โอเคครับสําหรับผมนี่ก็คือใช้ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนิ่งสงบตลอดนะครับแตอนี่ก็เราไมเราไม่ปลี่ยนเขาไม่ได้ครับต้องคิดเป็นแบบนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมครับอใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดจะตัดจงตัดใจกรรมเก่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทางธรรมไม่ใช่ ครับผมจยะจรจะผมจะได้ใช้ปัญญาอันนั้นก็อาจจะเป็นทางธรรมแต่ไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้กรรมเก่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างขับครับก็ต้องใช้ถึงว่าเป็นอนัตตาที่ไปอันนี้จะถือเรียกว่าใช้ปัญญาทางธรรมใช่ถ้าเป็นปัญญาแก็ต้องเห็นว่าเป็นอนัตตาครับผมอันนี้ก็ต่อมาก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์เคยแนะนำเรื่องการฝึกสติที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องสโลโมชั่นมาหรอกอืมเอาธรรมดาเนี่ยเดินธรรมดานาทำอะไรธรรมดานี เพรก็ปรากฏว่าตอนนี้สนุกสนานกันใหญ่เลยเป็นธรรมชาติไปแล้วครับอนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปในแนวถูกใช่ไหมครับถูกต้องถ้ามันเป็นธรรมชาติก็ดีแล้วครับสนุก่างเป็นอะดับสนุกมากนะครับผมครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์นี่เคยแนะนําคุณเอ๋อรแล้วผมก็ลองปฏิบัติตามคือทําตัวให้เหมือนดินนะครับอออันนี้จะปรึกษาว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดเมื่อต้งเดี๋เร็วนี้เอง ผมก็ไปนั่งข้างทางเนี่ยคุ้บาทก็มีคนมาถึงกลับมาให้เงินผมแหลยกบผมเขารู้ว่าผมไปกดคนจอมจัดเลยแต่ครังที่ผมตาเจธรรมดาธรรมดาครับก็คือขับตัวให้เล็กลงที่สุดกันนะครับเออแล้วเราแล้วเรารู้สึกไงเวลาให้เงินเราอ๋อผมก็ขอบคุณเขาครับออก็ดีอโอเคครับแร้วผมก็รับเงินเข้าไว้ใช้เฉยโอเคใช้เฉครับแต่มันมีความปรับเพิมในตัวเองที่ตัวเองรู้สึกว่าเออตัวเองเล็กลงดีจริงๆ ตอนนี้ก็ทําตัวให้เล็กลงที่สุดนะครับใช่การทำดัวครับก็จะฝึกในทางปฏิบัติที่ไปเรื่อยๆนะครับใดีมากครับผมครับครับผมขอบพระคุณครับสาธุคุณเอกกรคุณเอกกรผ่านมาเป็นไหมอยู่มุมซ้ายหน้างอ่าอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับมีอะไรไหมอยากจะ อสอบถามพระอาจารย์หนึ่งครับพอดีเมื่อสองคืนสองวันก่อนมีเป็นประมาณว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คื อ, อระหว่างที่หลังจากนอนนะครับผมผมก็คล้ายๆกับนอนดูลมหายใจดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสมุกประมาณนึงแต่ว่ายังยังไม่ได้หลับไปครับ แต่น่าจะประมาณตีสองหนึ่งครับแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ดีๆเราก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นแสงแล้วลงมากระแทกหน้ากับท้องอะครับแต่ว่าระหว่างที่นอนนะผมก็มือจับท้องอยู่แล้วคือไม่ได้ขยับอะไรแล้วก็เหมือนท้องมันก็หดเกรงหดเกรงไปอย่างเงี้ยครับคือผมอไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเหมือน ไม่แต่ว่าเขาพยายามจะมาเข้ามาในร่างกายเราหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยครับเรื่องมีอะไรหรอมันเป็นเรื่องอาการของจิตเราปรุงแต่งไปทะเลิดขึ้นไปอ๋อครับคือคือคือจิตเราก็ตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นสมาธิอยู่เลยไม่ได้ไม่ได้ตกใจหรือกลัวอะไรครับก็ดูมันจะเฉยแล้วก็หายไปเองไม่เราไปไม่ต้องไปมีอะไรกับมันรู้เฉยๆไป อ๋อครับก็ก็แล้วก็หายไปแล้วหลังจากนั้นผมก็หลับไปเฉยๆแต่ว่าแต่พอพอดีมาเมื่อคืนเนี่ยก็ตอนกลางคืนเลยรู้สึกกลัวก็เลยก็เลยดูดูความกลัวไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เหมือนอยู่กับร่างกายไปอย่างเงี้ยครับแต่ก็ก็กลัวแล้วก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็เห็นความกลัวไปว่าตัวเองกลัวกลัวพระชายพุทโธพุทโธอะไรนะบริกรรมขบงแบใช่ไหมครัรบใช่ใช ได้ครับผมโอเคนะมีท่านไหนะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนคุณเก่งครับคุณเก่จะพูดหรือเป่าคุณเก่ไม่ได้เปิดกล้องคุณเก่งได้ยินหรือเปล่า้าไมได้ยินเนี่ยไปที่คุณมาลีก่อนนะครับมาแล้วได้ยินครับพาร์มามีอะไรหออกการตัดสานครับอ่ากจะถามพอารครับ อย่างเมื่อสัดปดาห์ก่อนๆจะมีข่าวที่คุณพ่อที่เป็น ค, คุณลุงที่เป็นเพยอยครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เหมือ น, นอ่าแกสุขภาพไม่ดีแล้วอยากให้ลูกที่เคยเคยขายทีงไว้ครับมาดูแลอย่างเงี้ยคเหมือนจะทำผ้าช า, านะว่าอย่างเงี้ยตอนนี้นี้ก็คือถ้าลูกๆเขารู้สึกไม่ผูกพันไม่กลับมาดูแลอย่างเงี้ยครับเขาจะบาปไหมครับหรือว่าเข า, ไ ม, าไม่ได้คุณเขาก็ไม่ได้ดูนั่นเงก็ไม่ได้จับแทนบุณนคนุ ท่านก็ไม่ได้ไปทาร้ายพ่อแม่ถ้าไม่ได้ไปทาร้ายเขาก็ไม่บาปเขาเนื่ยแบบเฉยๆอยู่ตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปออครับอจเพราะเพราะว่าเห็นพระอาจารย์บอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตัวนี้พ่อแม่ทาร้ายลูกผมถือลูกไงครับลูกเขาจะจะต้องทำยังไงแจ้งความได้ไหมอะไรอย่างเงี้ก็เป็ เป็นสิทธิ์ของของเราที่เราจะปกป้องตัวเราเองหรือ ว, ว่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราเน้นถึงบุญกุลของท่าก็คิดว่าเขาจะกินมากกว่านี้ก็ยกให้ท่านไปให้อาภัยไปไม่ไม่ในระคุณก็เถอะถึงมท่านทำร้ายเราแต่การที่ท่านทำร้ายเราเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ท่านอาจจะเลี้ยงดูเรามาเป็นสิบสิบปี น้ำหนักมันมากเอกันแล้วต้องช่างน้ำหนักดูบ้างก็ขอใกินมากแบบนี้ก็คิดว่าบางทีท่านก็อาจจะลูกแก่โทสะโมหะหักข้ามจิตใจไม่ได้ก็เลยทำไปแล้วก็แล้อก็ให้อภัยไปเมตตาไม่ต้องไปทำให้มันมีเรื่องมวลาวมนเว็มกรรมไองอันนี้อันนี้เป็ะเด็นมีเหตุการณ์ของคนใกล้ตัวก็เลย และขาวด้วยครับเลยอยากจะรู้ว่าวิธีวางใจังไแล้วกระจอีกขั้นหนึครับว่าที่พอดีว่าเสาก่อนไเคยพาลูกไปที่ท้องฟ้าจำลองครับเราในนั้นก็จะมีการฉายแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็มีโอกาสที่อุปบัติจะชนโลกนี่ครับสมมุตินะครับถ้าเกิดชนจริงๆทุกสิ่งในโลกตายหมดนี้ครับจิตเรานี่มันจะไปหาที่เกิดยังไงครับ ก็มีโลกอื่นเยอะแยะโลกที่มีมนุษย์หนึ่งเยอะแยะไปคิดว่าโลกบนใจักรวาลที่มีโลกแล้วโลกเดียวที่มีมนุษย์อยู่แล้วอ๋อคือจิตก็จะหาที่เกิดต่อไปใช่ไหมใชม่มันก็ไปต่อไปจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายอจิต จ, จิตมันไม่ได้อยู่ในโลกที่ร่าง<ล>กายอยู่ใช่ไห้ซ้ำไบจิตม่อยู่ในโลกที่โลกที่ มันเพลินแต่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดกับร่างกายเหมือนกับยาอวกาศกับคนที่คุมยาอวกาศนี่มันอยคนละที่กันใช่ไหมย่มันก็ติดต่อผ่านวิทยุได้จากการผ่านทางวิธีทยุได้บางทีขับรถก็จะรู้สึกเหมือนกันครับว่าที่เราเราแค่บังคับเราไป็นเหมือนเรามัากรกลังทําครับการอาราอย่างหนึ่ง ในสมัยนี้ก็มีเครื่องรีโมทบังคับเครื่องเล่ น, นต่างๆใช่ไหมบัเงเล่นอยู่ที่หนึ่คนงคนรีคับบังคับรีโมท อ, อ, อยู่อีเธรีโมทอยู่อีกที่จิตก็เป็นเหมือนคนเธอรีโมทเนี่ยรับร่างกายก็เป็นเหมือนเครื่องเล่นที่จิตเอามาเล่นด้วยเะ้าใจ ไ, ไหมเห็นไม่ว่าจะเกิดเครื่อต่อให้โลกนี้มันมันระเบิดเป็นเสียงไปคนตาย ห, หมด แต่จิตของคนทุกคนที่อยู่ในโลานี้ก็ไม่ได้ตายไปกับมันมันก็ไปหาหน้าง่ายใหม่ต่อไปผู้ที่เป็นปลาอยู่มันก็ไปหาเป็นปลาที่โลงอี้นะพวกที่เป็นสัตก็ไปเป็นสัตว์ต่อไปก่อนถ้ายังไม่หมดเวรหมดกรรมจับอาจารย์ครับมากครับอาจารย์แล้วก็ย้อนหลังอาจารย์วันที่ไปตัดปักเจอคุณตุ๊กเป็นจิตอาสาที่รู้จักกันครับก็รับใช้เพ<อ>ื่ออะไรก่อน เ ข, เขาบอกว่าครับ เ, เห็นเขาบอกว่าเขาเห็นหลวงพระอาอจารย์มีการโคตัวเหมือนเจ็ดหลังนะครับพระอาจารย์อาฆาตอยู่นะครับก็ามานันนีก็เป็นเป็นแบบของคนคนสูงอายุอ่ะมัน ก, มนก็มันก็เมื่อยหลังขดหลังขดนั้งแข็งอะไรของมันไปตามตามสัทธาของมันก็ไม่เป็นไรก็เพียงแต่ยืดยื่หนังมันก็ช่วยบรรเทาไนะั้เพราะว่า พี่ตุ๊กเบอกว่าอาจารย์ไม่ไม่ฉันยาไม่ไม่กายภาพไม่ไปหาหมอครับก็เลยเป็นห่วงก็ทํำยังไงเราก็าเป็นหมอได้ไม่งั้จะเป็นจะต้องไปหาหมอเราก็เป็นหมอเองได้อเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้เราเราแก้มันได้เราก็แก้ของเราไป ใ, ใช่ไห ม, มเมื่เมื่อเราก็ดับล้างหน้ันก็หายเมื่อเหมือนพอมันเมื่อยใหม่ก็ดับใหม่อะไรอย่นี้อย่างนี้ดันมิถุนาเนี่ต้องดับล้งังหยุดดัดล้างประมาณสี่ห้าครั้งด้วยกันตลอดเส้นทาง แต่พยายามหลบไม่อยากให้คนเห็นนะมันจะคนเห็นแล้วเขาจะเป็นห่วงเป็น ย, ยัยเป็นอะไรไปอครับใช่ครับแต่มันเป็นเรื่องของคนแก่เขาจะคนแก่มันก็เมื่อยหลังเจ็บหลังไปการตามวัยของมันเดี๋ยวต่อไปคนแก่เขาก็จะรู้เองตอนนี้ก็เริ่มการคนก็เริ่มมีก็แก๊กก็แก๊กตาปลาจ่อ ก็วเวลาเราก็ดูนาตามสภาพตามความคํามรูกตามควับสามารถขอมันสะดวกกว่าที่เราวิ่งไปหาหมอวิ่งไปวิ่งกลับนี่บงทีไปเจออุบัติเหตุยู่งใหญ่เนีย่ยนั่นถ้าเคลื่อนไหว ใ, ให้มันน้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นเคลื่อนไหว ม, มากมันเดี๋ยวก็ไปเสี่ยงมากอีก่นี่เราไม่มองเห็นผลผลเสียต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เราไปรักษาตัวยเนี่ยนะ แต่วัานันก็ะสัจจันร์ก็กกแปดปีครับที่เหมือนคนจะตั้งเขาแต่เขไม่ตกพระพเจ้าปีมากนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโอเคไม่มีอะไรไม่มีคำถามนะครับครับนักศึกษาพระพเจ้าพระพเครับอ่าคุณนารเช่นกัามารการาาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินหนูไหคะชัดเจนเลยชัดเจนค่ะ ตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะหนักไหมหนักไหมหคะกก็หนักหนักเบาเบาค่ะหลวงพ่อนี่หนูก็กุงเทพมันตกช่วงนี้ก็กงเทพจะตกบ่อยต้องเตรียมน้ําน้ํำท่วมทุกวันใช่ค่ะมืดวันนี้มืดหน้ากลัวมากเลยค่ะหลวงพ่อรีบรีบรีบมาค่ะก็ตกตกอยู่ค่ะมีหนักมีเบาค่ะแถวที่เราอยู่โดนน้ำท่วมไหมไม่โดน เอ อ, อยู่ตรงแถวรถไฟฟ้ายังไม่ไม่ค่อยนะคะหลวงพ่อแต่ว่าถ้าเลยเลยไปทางบางว่าอะไรเงี้ยถ้าตกหนักๆก็รถติดนานมากเลยค่ะน้ําน้ํำก็ท่วมอยู่ค่ะค่ะถ้าถ้าตกเยอะๆเนี่ยยังไงก็ก็มีมีท่วมเหมือนกันค่ะท่วมแต่ไม่ไม่เข้าบ้านนะไม่เข้าบ้านไม่เข้าค่ะไม่เข้าค่ะท่วมบนถนนที่บนถนนที่มันจะมีแบบต่ําๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ก็จะรถติด <the> <otic> ค่ะมันมน้ํามันขังอยู่บนถนนค่ะหลวงพอ่อแล้ววิ่งเลียวไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นแบบคลองเลยค่ะมี <c oughs> มีอยู่อาทิตย์ก่อนนะคะที่ตกแล้วแบบหนักมากอันนี้แถววุฒากาศหรือแถวแถวบางบางบัวทอง <c oughs> อ, อ๋อเอ่อวุฒากาศเนี่ยคะ่ะวุฒากาศ <c oughs> ค่ะหลวงพอ่อแต่ปีนี้บางบัวทองก็ไม่ได้ไม่ได้มีน้ําท่วมมานะคะแถวบ้านนี่ไม่มาค่ะ จะมีมีแถวตรงอื่นนะคะแถวลังสิตนะคะที่ว่าน่ะหนูไม่ได้กลับนคะรนายกประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าทางไปลังสิตมันมันไปไม่ได้ค่ะน้ำมันท่วมเยอะค่ะค่ะก็เลยยังไม่ได้กลับค่ะมีอะไรไหมวันนี้จะมาเล่าฟังไหมวันนี้หนูก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันหนูมีความสุขมันมันนั่งได้ได้ไ เข้าคือเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นไวขึ้นเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อก็ดีสติล้วดีขึ้นค่ะและ้วแล้วทีนี้ตรงตรงที่มันมันเข้าสมาธิไปแล้วว่าที่หลวงพ่อบอกให้อยู่กับความว่างเนี่ยค่ะความว่างตรงเนี้ยมันหมายถึงหมายถึงเราว่างจากความคิดใช่ไหมคะใช่เราว่างจากความคิดแต่งเนื้อแต่สัแต่ว่าเราว่างจากอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสมืออะไรต่างๆ หนิมิตนิมกนิมิ ต, ต, ตากันตงไม่ไม่มีค่ะแล้วแล้วทีน ก, การปฏิบัติแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเหมือนเราเรารู้จักตั้งแต่เราเริ่มต้นจนกระทั่งเราปฏิบัติเข้ามาถูกทางแล้วอย่างนี้นค่ะแล้วสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยค่ะผลของการปฏิบัติตัวเนี้ยเราเราจะใจเนื่งเฉยใจนิ่งเฉยกับทุกต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายก็เฉยได้ เรื่องเจ็บเรื่องปวดก็ใช้ได้คือพยายามมองมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นเขาเขาไม่เที่ยงไม่มีอะไรถาวรมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาค่ะแล้วมันทำมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แล้วแล้วถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าณตอนณตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมันยังไม่ได้มีเรื่อง เขาเรีย อ, อะไรคะหลวงพ่อไม่มีข้อสอบอ่ามันไม่ได้มีเรื่องที่คอขาดบาดตายหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันก็จะยังสภาวะมันก็ยังนิ่งๆไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ต้องต้องรอดูเวลาเกิดเหตุการณ์ขอเาเจ็บท้องไปหาหมอหม อ, หมอบอกเป็นมะเรนะ็งออน่ะก็จะได้มีข้อสอบให้เถาทำนะอ๋อถ้าถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี้ก็ต้องไปดูไปวัดกันอีกทีใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, บบอว่า ใช่จะได้ยืนยันว่าเราเราผ่านเราปล่อยวาหรือไม่ใช่นั้นก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็ผ่านไปอย่าไปทําอะไรกับความเจ็บไปให้มันเจ็บไปหลวงพ่อครับแล้วแล้วเ อ, อตอนเนี้หนูหนูก็เริ่มมีบอกกับที่บ้านอะไรเงี้ยว่าหนูหนูอยากจะตัดสินใจไปทางทางนี้อะไรเงี้ยคือจะไม่ทํางานอะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยเขาก็ตังบนนะคะหลวงพ่อเขากลัวว่าหนูจะไปไม่รอดแล้วต้องกลับออกมาต้องอับายคนแล้วจะมาอยู่ยังไงจะมาเลี้ยงชีพยังไงอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูตัดสินใจแล้วอ่ะหนูหนูเดินหน้าแล้วห น, หนูหนูทําจนกระทั่งหนูสู้ตายอย่างเงี้ยมันมันคิดถูกไหมคะหลวงพ่อหนูห น, หนูมีคิดมีความมีความคิดแบบนี้นะคะถือ่าถ้าเาเป็นความมั่นใจอันนี้ก็แสดงว่าเราแน่ก็คือหนูไม่ได้ เราเราเราเรามั่นใจด้วยเหตุผลเราเรามีการปฏิบัติเราเรารับรองความมั่นใจของเราอย่วเราทำได้เราอยู่คนเดียวได้เราไม่ใช้เงินได้ใช้ยงางมากแค่แค่ข้าววันละเมื่อนึงเขาเขาเป็นเหมือนเราเขาไม่รู้ว่าเราทำนี้ได้ เขาเขาจะห่วงว่าแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยจะทํายังไงหนูบอกว่ า, าเวลาที่ไหนมันก็ป่วยเหมือนกันทั้งนั้นแหะมันก็ตามตามสาภาพใช่ไหมคะหลวงพ่อสามสีบาทรักษาท่โาโรงพยาบาลก็มีอยู่เนี่ย <c oughs> บ่ายคน <c oughs> บ่ายคนชะลาก็มีอยู่เนี่ยสบายอยตายเลยเ ข, เขาเขาก็ห่วงว่าแล้วจะทํายังไงจะลําบากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่ อ, อหนูบอกหนูบอกหนูก็บอกว่าหนูสู้ตายนะคือหนูยอมตายอะไรเงี้ยคือ คือไม่ต้องไปคิดว่ามันจะไม่คุยกับเข้ามากเลยพูยกัเสียเวลาค่ะพูดกับเด็กอย่ามาพูดกันเด็กอะหนูต้องบอกให้เขาแบบว่าบอกให้ขเขารู้วาเราจะทำอะไรแน่นอนสวยเขาจะกงงังวลยังไงก็ปล่อยเขากังวลไปก็แล้วกันบอกขอบใจขอบใจที่เป็นคนนั้น แล้วเขาบอกว่าให้ให้หนูอ่ะขอขอเวลาหนูอ่ะอย่าเพิ่งไปได้ไหมให้ให้อยู่อีกสักห้าปีหนูบอกโอ๊้มันช้าไปมันเสียเวลาหนูเร า, าเราไม่หน้าที่บอกเขาก็าบอกเขาถึงเวลาไปแล้วเขาไปได้เลยไม่ทํอมาเขาเขาสงสารเขาอะค่ะไม่เราเนี่ยขอห้าปีเนี่ก็ต่อยอ่ะพอครบห้าปีก็ขอต่อยห้าปีหนูบอกว่าน่าจะ จ ร, จริงๆได้อยากจะไปปีน <ะ S 2> ั้นแล้วเราพอเราเราจะไปเลยแล้วทางราบอกก็ต้องให้ให้เขารู้ว่าเราจะไปให้ได้รับเขาก็จะมาบอกว่าโอ้โหแล้วบ้านช่องลูกเลิกจะทํายังไงหนูบอก<ต>ใครอยู่ใครก็ดูดูแลไ ป, ไปถ้าเกิดท่านตายวันนี้จะทำยังไ ง, ล ง, ไงหลวงพ่อหลวงพ่อคะแล้วแล้วเอออย่างอย่างคนที่ไปบวชเป็นชีอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปอยู่โรงครัวทำกับข้าวแล้วหน้าที่ของของแม่ชีที่ประจําวันเนี่ยคือเขาจะปฏิบัติทั้งวันเลยหรือเปล่าคะหมายถึงปฏิบัติภาวนาอะไรได้ก็มีมีงานเล็กน้อยถ้ามีสมาธิปฏิบัติจริงๆมากเลยมากถ้าอาจจะให้ช่วยช่วยกันเวลาถ้าเราไปไปกินข้าวที่สาวเราแล้วมีงานอะไรในสาวราแล้วเขช่วยกันจัดกับข้าวกับข้าวช่วยกันล้างถ้วยล้าชามอะไรไปนี่ก็เป็นจิตที่ต่อกับ อันนี้ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติใช่พอเราต้องกินเนี่ยกินแล้วเราก็ต้องมีสารต้านพิษเข้วแล้วเวลาที่ส่วนใหญ่ที่เหลือนี่คือเขาจะปฏิบัติตัวกายตัวมันให้อยู่ยากันไปอันนี้ครับเหมือนก็ที่ไปอยู่บนเขาเนี้ยพอเสร็จเกติก็กลับไปอยู่ที่บ้านของเราแล้วภาวนาจนถึงวันรุ่งขึ้นแล้วคกลับมาทำเกติร่วมกันทีถ้าเป็นว่าปฏิบัติจริงๆนะ ถ้าเป็นวัดที่ไม่ปฏิบตัติก็อาจจะมีงานโน้มงานนี่ทาหรือให้นงบวัดทําไหว้พระ เ, เหมือนมวนเช้าเย็นอะไรไปแต่แต่เราต้องเลือกใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ก็ต้องเลือกสิแล้วก็ต้องไปเลือกวัดที่มันสนับสนุนการกปฏิบัติของเราคือบางวัดก็ปฏิบัติหาะแต่หนูหนูไปสอบถามแม่ชีมาแม่ชีบอกว่าท่านบอกว่าท่านแทบไม่ได้ปฏิบัติเลยท่านตื่นทำนคว า, าไ น, นไม่ยอมไปก็อยนะ่าไปก็อย่าไปถ้าเป็นวันย่งนี้ก็อยา่าไป ค่ะหลวงพ่อนี่วัดที่เขาให้วัดป่าทีสายลุงตาเนี่ยมันจะไม่ค่อยให้ทํางานากทำเท่าที่จําเส็จนค่ะครับอาจจะถ้ามีนอมกู๊ดอาจจะช่วยกันทำข้าวถ้าเป็นต้องถ้าน้องทำอมหารให้กับวัดนี้อาลิมพาช่วยกันทําทํำแค่ป็นกติค่ะปกติท่านั้นเองค่ะพอเกณฑ์เสร็จแล้วช่วยนั่งทาสร็จก็ยากกันกลับไปที่ท่นก่อน ทีนีก็ปฏิบับติไปทั้งทั้งหน้าถึงนู่นเช้าเลยค่ะหโนูตอนตอนนี้มีความคิดเหมือนพุ่งสั่นก็อยากออกไปอยากออกไปแต่แต่ยังติดติดกับที่เขายังห่วงอยู่ยังเหมือนเหมือนจะมีห่วงอยู่หน่อยๆแต่หนูหนูก็มีความคิดแบบนี้แล้วลว่าขนมหลวงพว่าหนูหนูอยากไปแล้วอะไรเนี้ยครับถ้าอยากเดินยื้อจากวัดก็ลองถามหมอผ่าศานาดูก็ได้หอผ่าศสนาใจเราไปสรวอยู่หลายวัด ฝ่าหลงห้อง ห, หนู <ไป S 2> หนกหนูก็เล็งเล็งไว้แถวแถวทางทางอูดอเอ้ทางอุบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก<อ>็แถวแถวนั้นฝ่าหลงห้องแล้วน้องบินก็ไปบวชยู่แถวอำนาจเจรลยอำนาจเจริญ<ม>แถวแถวอุบลไหมคะหลงห้องแถวอูบลแค่มาปฏิบัติทชทำได้ครับปีเดียวการไปแล้วครับไปบวชชีแล้วตอนนี้บวชแล้วหรอคะบวชแล้ว กูว่าใช่นะคุณจ้าทางนี้อาิตย์สุดนั้นอย่าไปเชื่อคนโง่เลยต้องเร า, าต้องดูคนฉลาดพาะพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสารทุข์ค่ะหลวงพ่อไปพิจารแบบคนคนโง่ตไองไปได้ๆมันโง่ไม่โ ง, ง่ห่กังวนทุก อ, อย่างแต่มันไม่เชื่อเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้วก็ตายแบบไม่มีสวรรค์ไม่มีสละท่าตายแบบยังอยู่ภายใต้ใอํานาจของกิเลสอันเดิม เดี๋ยวก็ต้องเวียนบนอีกใช่ไหมคะ่เราต้องการตายแบบชะล่าาใช่ฝางพ่อนะพอใจนั่นเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะอ่าสาทุค่ะอ่าวันนี้เชิญได้ยินเสียงหลวงแม่ท่านที่ฝนชีเนี่ยตืนแล้ว้องนะชัดเจนครับชัดเจนะครับหลวงพ่อก็ที่ผ่านมาก็ผมก็ รู้สึกมีความสุขกับการพิจารณาสีลานุสติกรบมาฐานครับเพรบางทีแบบนั่งสมาธิมันยังไม่ได้ความสุขจากสมาธิก็เลยมาพิจารณาสี่ห้าที่เรารักษาอยู่เออแล้วรักษาได้ไม่ด่างพ้อยแล้วมันก็จิตมีปิติขึ้นมาอย่างเนี้ครับหลวงพ่อคิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับได้ได้ที่อาจารย์ใจชายรัศมีนำตั้วที่วันก่อนที่ผ่านมาก็ไปทําบุญในวัดที่กรุงเทพไปเจออะไรที่แบบ แปลกเช่นพระนั่งเจิมหน้าผากถือผู้การเจิมให้หน้าผากผู้หญิงอย่างนี้บอกแล้วก็ท่องคาถาผมนี่แบบโอ้โหรู้สึกไม่ดีอ่าเราะงั้นไมได้ศึกษาําสอนหลงพ่อเป็นเจ้าหรือคนในรูปของเป็นเจ้ า, ส, าอสอนทำอะไรครับผมก็ทุกวันนี้ผมก็รู้สึกอย่างาแบบพิจารณาทำเออครูเราดีก็เห็นกับหลวงพ่อร่างกายแก่แต่จิตใจหลวงพ่อไม่แกเลยจิตใจหลวงพ่อทาแบบ นุ่มเหมือนเดินุ่มกว่าเดิทันสมัยเสมอก็ก็ผมก็จะไม่มีอะไรมากครับแค่ตะเช่นนึกถึงพุทธานุสิตทามาเนื้ติสังานุสิเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเชื้อเพลิงเหมือนน้ำมันเ็นสินสาหรับผมครับหลวงพ่อได้จริอันนี้เห็นพ่อเพื่อทำพ่อหลวไปก่อนเท่านัครับแค่กูดนิดห่อยอาจจะไหลแล้วครับหลวงพ่อขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อ ยังคิวสมมล้านคิวแบบนี้ขนาดความรู้สึกสำนกงานศึกาังได้รับปัจจยเรียบร้อยแล้วนะชอบบัญชีเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไม่มีคำถามขอบคุณค่ะขอพ่อนหลงตาเขาอยากขอพ่อนหลงตาขอพ่อนะ ขอส่งัให้เรียจิงเกลียนให้ฉลาดนสาธสาธุค่ะขอหลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเุ้ค่ะแม่ไม่มีอะไรถามไม่มอะไรจะพูอะเลยใจวันนี้ก็ป่วยแต่ว่าใจสงบไม่ไม่ไม่ไม่ใจนิ่งสบายแลค่ะก็เห็น ความเจ็บป่วยนะคะเจ้าคะยอมรับเจ้าค่ะเป็นรรมนา น, นื่องาโรคพทางดไได้ป่วยไปไม่ได้มันอยู่ประมา น, นไปพ้าหลวงพ่อพอหายโรคนั้นมันก็มาเป็นอะไรก็ออยอมเจ้าคะยอมรับด้วยความจริงเจ้าค่ะอย่านช่วรลืนอยนธรรมดาค่ะไม่ถูกเจ้าค่ะขอบขอบคุณหลวงพ่อจากใจ ใคุณคุณอเพอทะไรคุณะไรีัยนุ่น้าีะชื่อป่อค่ะพระอาจารย์ป่อระกับนมัสการค่ะพรอาจารย์อยู่ไหนปอหนูอยู่โตเกียวค่ะโตเกียวค่ะวันนี้เพิ่งเข้ามาไลนะคะเุณเข้ามาท้ั้งแรกค่ะ คือพี่เอคมเน้นเมื่อกี้ที่อยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะค่ะอ่คเดียวค่ะอยู่อยู่ที่โตเกียวเหมือนกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันค่ะอยู่อยู่ที่โตเกียวเหมือนกันค่ะคือหนูมีเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยได้มาเลยหนูฟังไปหนูก็ list คำถามไปค่ะจ้ะคือชื่อหนูว่าเพิ่งเพิ่งจะปฏิบัติ แบบนั่งสมาธิจริงจังอะค่ะได้ไม่กี่เดือนค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือคือฝึกเหมือนสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี่ยมีปัญหาปวดไมเกรนปวดหัวแล้วก็มีมีเพื่อนคุณแม่แนะนําให้ให้สวดมนต์แต่ก็คือไม่ได้นั่งสมาธินะคะสวดตอนแบบเรารู้ตัวเราก็จะสวดนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดมาคิดหงสารมันก็จะปวดหัวก็เลยสวดมาเรื่อยๆก็เลย แล้วพอมาเริ่มนั่งปฏิบัตินั่งสมาธิอะค่ะก็คือรู้สึกว่ามันเข้าสมาธิได้เร็วก็คือหนูหนูก็ยังไม่แน่ใจก็เลยอยากจะสอบถามว่าคืออย่างอย่างเข้าสมาธิเนี่ยก็คืออย่างพอหนูนั่งเนี่ยมันก็จะนิ่งเลยแล้วมันก็ลมหายใจมันก็จะชา้ชาช้าบางทีไม่ต้องท่องบาลีกรรมอะไรเพราะว่ามันมันไม่ได้คิดได้แล้วอะถ้าเราดูตรงนี้เฉยๆที่อะไรจะแทนได้ไดไดค่ะแล้วเสร็จแล้วหนูก็ คือพออดูกายใช่ไหมคะหนูก็ดูคือหนูไม่ไยึดติดอยู่แล้วอะค่ะเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรเรื่องร่างกายบางทีอาจจะเกินไปนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ยึดติดอะไรคะ่ะเรื่องเวทนาหนูก็อย่างพี่เขาแนะนําให้ลองทําในสัตว์ชีกหนูก็ก็ลองนั่งดูคะ่กะก็นั่งก็นั่งได้เรื่อย นั่งคืออย่างเวลาปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือไม่สนใจอย่างคือแบบสมมติเราอยู่เมืองหนาวอย่างนี้ใช่ไหมคะเร า, าเคยเคยอยู่แคนาดาค่ะแล้วมันหนาวแบบบางทีลบสี่สิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนร่างกายมันจะปวดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็แค่ไม่ไปจดจ่อกับมันก็ไม่ได้สนใจมันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ก็เหมือนจะทนได้แต่คือจริงๆเราไม่ได้ทนคือเราไม่ไแค่ไม่ได้ไปจดจ่อกับมันแค่ใช่เราเฉยๆเราปล่อยวางใช่ค่ะก็คือเรื่องเจ็บเรื่องอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็แ ล, แล้วก็จิตตอนจะอารมณ์จิตแล้วก็เรื่องอารมณพิจารณาพิจารณาลมค่ะไม่ไม่ถึงอารมณ์อารมณ์ในจิตเนี่ยอารมณ์สัตว์ <c oughs> ค่ะก็คือพอพอตอนนั่งสมาธิค่ะมันก็นั่งได้เรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆจนจนบางทีรู้สึกว่านั่งไปมันก็ชาไปทั้งตัวมันก็มันก็นก็รู้สึกดีรู้สึกปีติรู้สึกสงบแล้วก็บางทีก็บางทีแบบลืมรู้สึกตัวอีกทีก็แบบเช้าแล้วอะไรเงี้ยบางทีไม่แน่ใจว่าหลับหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เสียงพาเทสคือเปิดพาเทสไปตลอดค่ะแต่ว่าไม่ยินสิทยังไม่ได้ไ แม้วาเราจะหลับผ่าน ก, ก, ก็คือนั่งแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็กนำมาทามาใช้กับชีวิตประจําวันหรือว่าเวลาเราอยู่กับคนเราเจออะไรเหตุการณ์ า, างๆันยัใช้ได้เหมือนเดิมไม่แใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็เลยมาเข้าคําถามว่าอย่างคือเรื่องสมาธิก็คือเออก็คือจะนั่นงได้ค่ะนั่งนั่งได้นานแต่แต่ว่าอพอกลับมาทางโลกเนี่ยคือเราเราก็จะมาเจอกิเลสต่างๆ เนี่ยแล้วต้องใช้กับมันง่ายๆกิเลสโลกอะไรแล้วไม่จิตใจมันอยาไปทำตามเหมือนโกหกแต่ก็ไม่เราไปทำามก็พยายามรับรู้แล้วก <laughs> พยายามจะคุมให้แต่แต่ว่าที่จะที่มีมีพี่คนหนึ่งถามว่าเอ่อให้ลดความสนุกสนานของใจค่ะลดลดคืออย่างเรื่องการสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงให้ให้ใจเราสนุกอย่างนี้คือควรละเว้นหรือเปล่าคะ ด้วยเราต้องมองว่ามันเป็นโทนษเนี่ยกสนทนานี้เวลาไม่มีมันมันก็จะทาให้เราเหงาเราเศร้านะถ้า<ม>อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่อเพราะ<ม>ถ้าเราไปติดแล้วเวลาไม่มีใครไม่มีทุกอย่องไม่มีการสังสรรค์มันจะรู้เศร้าเหงาแต่ถ้าเราเกิดอยู่คนเดียวแบบไม่ต้อง่ีอะไรมาให้ความชุกขึ้นเราแต่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเวลาเราอยู่คนเดียว เวลาเราเจ็บไข้ไม่ปวดเวล า, เาไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ไม่เราก็ไม่เดีอดร้อนเราก็ยังมีความได้ต้องชิดเห็นตอนออที่ต่อไปร่างกายเรามันอาจที่คนที่กาย่ได้แก่เราเนเจ็บไายไม่ปวดถ้าเราต้องมีความติดใผิดนั้นผิดนีน้คนนั้นคนนี้นคนเราไม่ดีเราพยาจุดหนาวมุ่เศ้าค่ะคือหนูอ่ะ อ่าจริงๆแล้วว่าคืออยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะมันเครียดกว่าออกไปข้าง น, น, นอกเพราะว่ามีลูกบินนี่ว่ามันว่ามัา น, มนมไม่ไหนออกไปข้านงนอกขางอกไปแล้วมันได้ไประบายค <c oughs> ่ะก็พยายามใช้สิ่งที่เราปฏิบัติม า, าใช้แต่เวลาเราเครียดเราก็ทําใจให้นิ่งอย่าให้มันเครียดอ่าอย่าี่มอพูเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เราจะต้อง คืออย่างถ้าเราคิดว่าอย่างเราอย่างหนูที่ที่หนูทํานะคะก็คือไม่แน่ใจว่าวิธีการถูกหรือเปล่าคือหนูแยกแยกความคิดกับจิตเราอ่ะสมมติว่าเราคิดเราคิดเรามีความเรายังคิดมีความโลบโกรธหลงหรือมีการเศร้าเสียใจคือหนูก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคิดได้แต่คือมันใช้เวลาแล้วเหนือมันก็จะหายไปแต่คือคือจิตเราก็ดูมันว่า ตอนนี้เราเศร้าเราจ ะ, เจะได้ติดอยู่กันกูจะทำให้เร็วขึน้นาไม่คิดไม่ดีแล้วก็หยุดความคิดอย่าคตคิตนี่ใช่ไหคิดอ๋อคือก็คือค อ, อย่าคิดเลยใช่ไหมคะ อ, อย่าคิดเลยเราไม่คิดความเศร้าความรักหลังหคือการไม่คิดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นการฝึกฝึกจิตเราให้ ควบคุมจิตแล้วไม่ให้เียรเราให้จิตละวางเฉยให้ทำทุกอย่างได้บางทีหนูคุมพยายามคุมมากๆค่ะแล้วพอไปใช้ชีวิตประจำวันมันเออ ม, มันมันแปลกอะค่ะมันมันเหมือนเราเหม่อเหมือนมันเหมือนเราเออไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ตอบรับกับคนอื่น อันนี้นก็ไม่ถูกเวลานราเกี่ยวข้งของกัคนเราก็ต้องมีการปฏิสัมสันา์กันมีการทักทายมีการอะไรแต่ไม่มีอารมณ์กับคนที่มาปะทบต่อเราคือบางทีาอาจจะเหมือนเพื่อนอาจจะบอกว่าเราเหมือนๆ อ, อะไรอ๋อถ้า <c oughs> เราเฉยก็ได้เราไม่ต้องอยากจะมีปฏิกิริยา ก, กับรอะไรแต่เรารับรู้รับรู้ที่อยากถ้าทักทายจําเป็นต้องพูดต้องตอบ ไ, ได้ก็พูดได้ แต่จะไม่เสนอหน้าเหมือนเ่อก่อนใช่แล้วคือจะไม่เสนอหน้าไปพูดคุยสนุกอะไรอย่างนี้มากมั่ชินค่ะใช่เป็นคนเฉยๆรับรู้ยังเฉยเพื่อนเพื่อนกับพ่อคู่ครัจะตกใจคนสบายคนคนสบายก็จะเฉยๆก็ไม่ค่อยจะจะย้ายกันกากอะไรอ่าค่ะ แล้วคืออ่าที่อาจารย์ที่อาจารย์สอนให้ดูอปฏิกูลอสุภาค่ะดูอก็ถ้าเราเป็นคนเซ็ตจัดถ้าเราเป็นคนเซ็ตจัดแล้วก็เราพยายามดูให้มันลดตามอยากเนี่ยเซ็ให้มันน้อยลงนลงไม่ไม่มีค่ะคือคืออย่างหนูเนี่ยคือหนูอ่ะคือหนู่ไม่ไม่ไม่อยู่ติดอะไรมากมายค่ะแล้วคืออ่าหนูหนูต้องดูฝึกทรงสังขารไหมคะ มันเป็นโปงความตายามันง่ายอ๋ อ, อหนูไม่พร้อมตายแล้วค่ะอยากคือหนูว่ารู้สึกว่าเราเราทําทุกอย่างมาเต็มที่แล้วแล้วเราเราไม่ได้เสียดายแล้วแต่ความตายมีเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้ค่ะนอนอ ย, ยอย่าไปตัวตายอย่าไปเจอกับความตายค่ะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกค่ะพร้อมอ แล้วส่วนสุขภาพ น, นี่ก็เพื่อลดลดความอยากเกรดจกิดเกิชั่ว่ า, ากัาออกานค่ะโอ้ g a หนูก็ไม่ต้องไปปรงไม่ต้องไปดูใช่ไหมคะถ้าหนูไม่มีปัญหา<ด> อ, อะไ ร, ะไรก็ไม่ต้องดูอะไรกันนะถ้าใจของมันเป็นปก ต, ติไม่ไม่พุ้มก้านบางทีนี่ใจไม่อยู่อยู่คนเดียวแล้วมันคุ้มก้านึ้นมามันก็จสุภาพด แล้วก็หนูไปดูอะไรต่อดีคะดูจิตเหรอคะก็หมายถึงว่าถ้าเราเกิดการอารมีเราก็ต้องดูอสุขภาพดูความไม่สวยงามของร่างกายรวมไปถงระดับการบารมีที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรื่องการอารมีก็ไม่ต้องใชนก็ไม่ต้องดูสุขภาพถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องดูอะไรถ้า็เฉยไปมันจะชี่เป็นแบบนั้นไป แล้วคืออย่างนั่งเอ่าอย่างอย่างวิปัสสนาเอ่อแบบในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คืนหนูหนูก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิอะไรไม่ต้องไปยึดกับอะไรทุกอย่างมันไม่เนี่ยเหการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบไปมันก็ผ่านไปผาไปก็คือจิตว่างๆไปทางทางวัว่างๆไปเฉยๆกับทุกอย่างแต่ไม่ได้เฉยเลยมีอะไนต้องทํามาสมีอะไรต้องพูดก็พูด แล้วมันจะการแบบหนูในชีวิตประจําวันยังไงล่ะคะเออก็ไม่เครียดกับทุกอย่างไม่เครียดไมันยิ่งบอกไมเครียดับลูกไลยไปอย่าไปเทรียดกับเขาอ๋อไม่เครียดแล้วึ่งต้องต้องที่เมื่อกี้พาอาจารย์บอกหนูต้องไปดูการต้อาได้ต้าได้ต้อมองทุกอย่างมันไม่เครียดมันสองชั่วคราวเลือกทุกอย่างแล้วว่าน้องก็ซีนบางคัาไม่ได้ อย่างลูกเราเนี่ยเราไป็นเราทำมันตลอดเวลาไม่ได้ ม, มันจะมน้มบ้างมันจะอะไรบ้างกราเรียกของมันเราก็ดูท่าที่เราดูได้ช่วยเขาเถ้าที่เรช่วยได้แต่ไม่ไปทุกกับเขาไม่ตไปงกังวลสักแล้วอย่างตอนที่ไม่ได้อยู่บ้านไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะไม่มีลูกไม่มีเออ่ที่บ้านเร า, า, าก็เป็นเจตงาน<ร>ที่เราทำํำก็ทําททงานไปอยากให้ผิดพลาด ถ้าอยู่ที่ทำงานนะอ่าไปอ่ปคิดเพียงเรื่อเรื่องที่บ้านเรื่องที่บ้านมันจะระเบิดไแล้วอ๋อไม่ค่อยคิดแล้วค่ะคือหนูก็แต่มันก็จะเหมือนปกติหนูไม่ต้องไปไปฝึกปัญญาไม่ต้องไปดูธรรมะอะไรใช่ไหมคะใชปัญญาก็อย่างนั้นทุกอย่างมันไม่มันไม่มันมันไม่เล่นอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งขึ้นลงไม่เกิดเล่นดักเราไปควบคุมังคบมันไปได้ เสมอไปค<ะ>่ะบางเวลาก็ทาได้บาเวลาก็ทำไม่ได้ทําไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจอืมค่ะอ่าอย่างประมาณนี้นะคื อ, มอมไม่จะมีความสุขไม่วุ่นวายใจไปดับสิ่งต่างๆไม่รีบตกไม่กังวลไม่ไม่อะไรไม่หง่ยายอะไรนั้นเนั้น <c oughs> หนูจะนั่งนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนละ S <S อันนเป็นการสืบแต่เราต้องมาใช้ในชีวิตประจำํำวันนะคือเราต้องีงานเรื่องแบบเกี่ยวข้องกับเหตการณ์ต่างๆต่เราต้องเฉยไม่ไม่รีวายาสักการณ์หนึ่งค่ะอืมค่ะคืออย่างเวลาที่เราคือจะตัดจะตัดความคิดจะคุมไม่ให้โกรธไม่ให้รู้สึกเศร้ารู้สึก อย่างนี้ค่ะเราเราฝึกยังไงครอาจารย์ได้สติงาใช่เวลาเราเศ้าเราก็ต้องคิดโคลมโคลงคลัเปิดม่นไปกันนะพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศ้าคว า, ามเจ้ากาค่ะคืออย่างนี้ถ้าหนูทำเอ่อทำอาจจะ้าอาจารย์แนะนาให้ทาเนื้อสติบอ ย, บอยใช่ไหมถ้าทาไม่เราเมื้อสติสำหรับคนที่ต้อง อยากจะปฏิบัติได้เยอะไม่อยากจะนอนมากเกินปก็เลยปฏิบัติในแับนี้แต่ถ้าเรายังไม่ได้บ้างยังมีงานทําะไรกระดาจก็ไม่บอกกับเราก็ได้เมื่อเราทำงานแล้วเรามีการทัาผ่อนตับนอนอ๋อค่ะก็คือไั น, น<ร>ม<า>ีไม่มีค น, นไม่มีงานทำแต่ปฏิบัติทำอย่างเดียวแต่คนที่อยู่ปฏิบัติอยู่ที่ว่าจะ อ, อนะไรเงี่ยเคขาระบางวันก็าอาจจะไม่นอนสักวันหนึ่ง ปฏิบัติทํางวันทั้งคืนอ๋ค่ะอย่างนี้หนูก็นั่งสมาธิเอ่อวันละชั่วโมงชาวเย็นเหรอคะได้นั่งได้นั่งเท่าไหร่ได้ดีค่ะยิย่งมากยิ่งดีเพราะได้ยิ่งนั่งมากชา้ยิ่งเย็นมากได้ยิ่งควาเฉยได้มากมแลได้ฮัลโหลได้ไม่เครียดก็ลุกเคลื่ได้ไม่จะตงไรก็แป่นใส มันจะซอนเงาหวานซ้นแปลงค่ะคือถ้าเรานั่งเรานั่งอย่างเงี้ยค่ะเรานั่งแล้วเราคือเราต้องพยายามให้มันในั่งคานูให้มันเห็นเวทนาหรือเปล่าไม่จำเป็นเียค่ะไม่จำเป็นถ้ามันไม่เห็นก็ได้แต่ถ้าอยากจะเห็นก็ต้องนั่งให้มันใจตามันจะเห็นถ้าเราอยากจะฝึกฝึกเวทนาเราก็ต้องนั่งให้มันเกิดเวทนาเช่น แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะเปิดเวทนาท้านนั่งแล้ิตมันบอกเวทนาไม่เกิดก็ไม่เป็นไรคนเริ่มกันอ๋อค่ะแล้วถ้าเรานั่งเราอยากจะฝึกจิตก็คือฝึกให้จิตมันนิ่งให้เรานิ่งฝึกให้นิ่งนับงให้เป็นนิ่งนิ่งหนูฟังเพศน์ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะพัน ก็ได้แต่มันก็าจะยังไม่ดีเท่ากับการนั่งดูลมนั่ืดนั่งพุดโธเสียแต่ถ้ายั ง, งทําไม่ได้ก็ก็ก็ฟังเทศไปก่อนก็ได้เพรอะฉะนั้นที่สุดต้องมันต้องมันต้องมันอยู่เราใช้กิ่งต่างๆไฟหน้าแล้วมาดูดูลมแล้วพุทโธแล้วฐานธรรมฐานธรรมนี่คือเราคือนั่งพิจารณาธรรมว่านี่ ท, ที่เราปฏิบัติอยู่นี่ไนงะนั่งสมาธิก็เป็นธรรม การปิติก็เป็นธรรมปัญญาปัญญาก็เป็นขรรค่ะค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะอาจารย์พอจะเข้าใจแล้วนะค่ะเดี๋ยวจะไปปฏิบัติเราลองไปทำดูค่ะ ข, ขอะคุณค่ะสาธุค่ะตัวเองยังยู่ใช่ไหม ก, การกค่ะอาจารย์ เยังไงยังอยู่ค่ะยังอยู่ตอนี้ที่นั่นมีฝนไหมไม่มีนะยังเอ่อมันไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะอยากให้มีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่มีขี้เกียจรดน้ำต้นไม้อ๋าไ่มีสเปนเ่าเลยเไม่มีเปน่ไม่มีเปน่คือพอดีบ้านโยมใส่น้ำข้างหน้าค่ะมันจะเป็นท่อที่ต่อมาจากผนังผนังบ้านเราใช่ไหมคะ แล้วท่อมันเหมือนกับมันมันคือคนที่เช่าคนก่อนเขาลืมปิดเขาลืมปิดน้ําตอนหน้าหนาวอ่ะค่ะมันก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นโฟสเฟนไอซแล้วมันฉุกมันคงแตกอะค่ะใช่มันใช่ค่ะพอยมมาเปิดอีกทีตอนพอพอยมย้ายมาบ้านนี้พอยมเปิดอีกทีมันกลายเป็นมันรั่วแล้วพยมก็เลยไม่กล้าเปิดก็เลยไม่มีสปริงโคลไม่มีสายออกมาข้างนอกน้ำบ้านอ่ก็เลยก็ค่อนห้างท่จะ ไปต่อจากในครัวในในในบ้าน่ะค่ะในตัวบ้านในครัวค่ะออกมาก็แต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งก็เลยไม่ค่อยมีเวลารดน้ามันมันจะมีกระถางพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักชีพริกเล็กเล็กน้อยน้อะค่ะแต่ไม่ไม่ได้ปลูกเยอะอ่ะค่ะก็มีต้นมะกรูดด้วยก็เลยต้องแบบค่อยค่อยกทีละขันสองขันมาลรดนะค่ะอาจารย์แต่ก็แต่ก็มันจะเริ่มเย็นเย็นแล้วค่ะมันจะใกล้หน้าฟอแล้วค่ะอาจารย์ ก็เลยแ้น้าหมันก็ตายหมดพวกนี้ตายกันไปแลวใช่ไหมใช่ค่ะต้องถ้าถ้าหน้าหนาวมันตายหมดเลยค่ะยมต้องเอาต้นมะกรูดเข้าบ้านค่ะพระอาจารย์มันก็เลยก็กลายเป็นว่าพอเอาต้นมะกรูดเข้าบ้านก็เดี๋ยวก็จะมีมดเข้ามาตามดินด้วยก็ไม่รู้จะทํำยังไงยมเขาเออนั่มองออกไปเออเข้ามาก็เข้ามาแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเออแต่ถ้าเราสมมติพระอาจารย์ค่ะสมมติอย่างเงี้นะคะถ้ามันอยู่แล้วแล้ว เราบ e ังเอิญไปเอาแบบสเปรย์มาฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดค่ามันนะคะแค่ป้องกันไว้เฉยๆแล้วมันเกิดมันเดินมามันเจาะเอ๋แล้วมันหงายท้องตายไปก็เรื่องขอมันเรื่อของมันเนี่ยเราไม่ได้ไตอนที่เราฉีดเนี่ยให้มันโตมันก็แล้วกันค่ะค่ะกลายถ้าเขาบังเอิญมามาเจอแล้วเขาจบฉีดไปก็ก็คือเรื่องของเขาใช่ไหมฮะใช่แล้วเขาไม่มีสติ เราจีนได้ศีลแล้วก็ต้องปล่อยาไม่ถ่ายได้หรกเราบางทีเมื่วานเคยมีนะคะเอากับดักหนูเมื่อวานแล้วก็บอกว่าโอเคหนูน้อยเป็นเรื่องของของเธอนะเธอตัดสินชีวิตเธอเองแล้ไม่ได้ถ้าเป็นกับดักที่ทำให้มันตายอะไรเนี่ยจะต้องเป็นโกงอย่างเงี้ยขังมันไว้ล้าเอาไปปล่อยได้ ตอนนั้นมันเอาติดตลดมันยมพูดไปอย่างไงอะค่ะยมก็ไม่มีนะยมก็เอาเป็นแบบที่มันเป็นแบบเอาไปปล่อยได้อะค่ะใช่ค่ะก็ก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ลูกก็แบบเห็นเห็นยุงเห็นอะไรก็แบบแม่มันบินในบ้านทําไงยมก็เออปล่อยมันไปเถอะให้ให้เลือดมันนิดหน่อยดีว่าเราเสียเลือ ด, ดเยอะๆให้มันไปนิดนึง <laughs> เดี๋ยราก็ก็ค่อยสอนะค่ะอาจารย์ยมไม่ได้เข้าหลายอาทิตย์เลยอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้า ค่ะช่วงช่วงหลังนี้คือมันช่วงหน้าภาษีอะค่ะเขาก็เลยประชุมกันเยอะหน่อยค่ะเยอะหน่อยไปทำตามหน้าที่ของเราก็คิดถึงพระอาจารย์เสมอนะคะสลินทอนก็เข้ามายมก็บอกถ้าสลินทอนเข้าไปก็ฝากกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะสาธุค่ะ นีไปดิ้นคนละได้นะบาคนละเช่นมี่ทั้งหมด14คำถามจากทาง YouTube และ Facebook เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณทศพรกราบนมัสการถวายความเคารพขอรับท่านพระอาจารย์ขอโอกาสขออนุญาตเอารูปท่านพระอาจารย์ใส่กรอบไว้บูชาเพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อไว้เตือนสติไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทได้ไหมขอรับกราบนมัสการครับ เราไม่มีไม่สมนุนริศิษย์ใครอ ย, ยากไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตเยอะเหนื่อยแล้วมาคอยสอบก็ อ, อนุ ญ, ญาตให้เหนื่อยถ้า อ, อยากยาไปทําอะไรก็แล้วแต่จะไปทปําปำกระดาษออกขนมก็ได้เน้อนะเนียไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตก็แล้วกันเพราะในสมัยนี้มันภามันเป็นไปหมดอ คำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity ฝากคำถามครับระหว่างภาสิทธิที่ว่าช้าชาได้พลาเล่นงามกับยาหวังน้ำบ่อหน้าสำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วและพิจารณาโดยปัญญาแล้วควรเลือกข้อใดครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับคือมันอยู่ที่เหตุการณ์มันอย่างไอบางอย่างมันต้องใช้เวลามันถึงจะได้ผลมันก็ต้องใจเย็น ไม่ใช่นั่งปุ๊บได้ปั๊บอย่างงี้ยแบบนั่งสมาธิปุ๊ต้องให้มันได้ดทันทีมันไม่ไม่ไม่ได้ก็เลยเลิกมันไม่ใช่อนั่งสมาธิมันต้องใช้เวลามันใช้เวลาเจริญสติเนี่ต้องใช้มนุนยึกสติไปเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวว่าผลมันก็จะเกิดขึ้นมามีความหมายส่วนในการนีงอย่าไปหวังเพิ่งน้ําหมอน่าเคอว่า ทำนั้นสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้รีบทําเสียเพราะวันพุ่งนี้เราไม่รู้มันจาจะมีหรือเปล่าสําหรับเราพรุนี้ลราจะตายไปก็ได้นี่มหมาย อ, อีกอย่างนึ่งก็อีกคำหนึน้วก็ต้องคิดมันเมื่อวันก่อนเน่ยมันขาด น, นะน้าขึ้นให้รีบตัดแล้วช้าๆมันจะได้ผ้าสองเล่มมาอะไรอันนี้ก็หมายถึงว่าน้าขึ้นมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ได้็รีบทําเสีย เพราะเดียวเวลามันโอกาสที่ดีมันอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ในตอนนี้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมรีบปฏิบัติเสียเพราะเดี๋ยวโอกาสนี้มันอาจจะหมดไปก็ได้อาจจะพิกรี่การขึ้นมาหรืออาจจะไปทําอะไรเสียหายติดคุกติดกราในอนาคตนี้เราไม่รู้แน่นอนว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้มากขนาดนี้ทำเสีย แต่ใจก็ต้องเย็นเยนไม่ใช่รีบทบทุกจะได้ปั๊บทำไปบางอย่างก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าทำทุกนอกจากถ้าเรามีบูญเก่ามานั่งสมาธิห้านาทีจิตก็สงบใ น, นี้ก็ก็เป็นกรณีอี ก, กอย่างถ้าเนา่ายังไม่สงบก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆใจเย็นคำถามต่อไปจากคุณสินามน ขายลอตเตอรี่ให้พระบาทไหมครับไม่บาปลอตเตอรี่ก็เป็นกระดาษเป็นสินค้าเนีย่ยคำถามต่อไปจากคุณจันทิปกราบนมัมการพระอาจารย์ประโยคที่ว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ให้ใช้ความคิดเข้าไปทำแต่ให้ใช้ใจทำไม่เข้าใจค่ะขอกราบนมำมศการขอบพระคุณค่ะคือการนั่งสมาธิต้องการหยุดความคิด ถ้าความคิดไปทำมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่มีความสบถเราเอาใจใหรือเอาสติไปทำครับสติไปใจใจไปสติให้ลืมให้ลืมเฉยเฉยให้หยุดคิดมีสองคำถามจากคุณเพ็กกี้นนท์ค่ะกราบน้ำสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะกราบเรียนถามข้อที่หนึ่ง เมื่อสวดมนต์แล้วจาเป็นต้องสมาทานศีลห้าทุกวันไหมเจ้าคะโยมเกรงว่าจะผิดศีลข้อที่หนึ่งจากการใช้ชีวิตประจาวันเช่นมดที่เกาะ อ, อยู่ตามถ้วยจานชามที่เราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วเขาตายจะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเราตั้งใจนะทำให้เาตายหรือเปล่าเรารู้เปล่าว่าการกระทของเราจะทำให้เ้าตายครับเออ แต่แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการตั้งใจราคาครับแต่วาต่าก็รู้ว่าถ้าเราเอาเอาของนี้ไปร้างที่ยังมีตัวสัตว์อยู่มันก็ตายได้เงินก็บาตรถ้าเกิดว่าเป็นาการอย่าทำตั้งรู้กายการทำเราจะทําไปท่องตายแล้วไม่อย่กไะ ท, ทํำค่ะคำถามที่สองถ้าธรรมะคือหน้าที่ในทางโลกการมีสัมมาอาชีพเลี้ยงตัว และหากําไรแต่พอควรถือว่าเป็นการทําความดีที่ได้บุญใหม่เจ้าค่ะการเลี้ยงชีพมันไม่ได้บุญมมันมันไม่เป็นบุญเป็นบาแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำทำมาหาเลีงเลี้ยงชีพเป็นการกระทำที่ไม่เป็นบุญไมเป็นบาปแต่เราเป็นหน้าที่ที่เราต้องทํำเพื่อเลี้ยูู่ร่างกายถ้าจะให้มันเป็นบุญเราต้องไ้องทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับคนประน คำถามต่อไปจากคุณนิวเข็มทิศกาปรียนถามพระอาจารย์ครับพระที่ถึงพระอรหรอันติกลายเป็นพระธาตุจริงไหมครับรยนีรัอาามเป็นรพระเจ้าใระเมสาวกยุทธาธารพระธาพระอาจารย์นนทอน่มจุ่มมนี่ยช่วนสรงานาชกพระธา ม้การคำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity ถ้าเราไม่ค่อยได้เห็นผีหมายถึงเราใจแคบไม่แบ่งบุญให้ผีหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกไม่ได้เห็นผีไม่แสดงว่าเราไม่หล่นไม่หลออตัวสงในผีไม่แสดงว่าเราหลราหล่อตัว คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณดวงใจถ้าบวชเป็นแม่ชีแล้วขับรถเองไปในที่ต่างๆได้หรือเหมาะสมไหมคะเจ้าสมัย น, นี้มีแม่ชีสองแบบแม่ชีบ้านกับแม่ชีวัดถ้าแม่ชีวัดเขาเขาจะปฏิบัติธรรมค่ะจะอยู่วัดเพราะมันจะทำชัวร์ทำเงือนแต่ถ้ามาชีแม่ชีบ้านนี้นเขาจะเป็นปเนขต้องไปชอปปิ้งไปซื้อกับข้าวต้องมาทํากับข้าม แม่ชีเราคอยก็มีูกด้วยเรอทำหนี้ไปเท่าไหร่เห็นก็เลยมีหน mm. ้าที่ให้ิบ้าเออยงไม่ได้ไม่ได้ออกบดชีวัดแต่ก็อยากบวชอยู่ที่บ้านด้สิ่แต่กอนแต่ยัมีหน้าที่ต้องทำหนี้ต้องทำอะไรอต้องแยกแยกอนระหว่างแม่ชีบ้านกับแม่ชีวัดมันมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นแม่ชีวัดก็เพงงท่านไม่มีรถไม่มีไม่มีการขับรถ อฏิบัติตามแบบเขาถ้าเ ข, ขาเป็นจุสองรือม้ไม่ได้เป็นจุดหนึ่งก็ปฏิบัติตามแบบเขเป็นจุดสขของว่าคำถามต่อไปจากคุณไม่หวังไม่ผิดหวังอยากถามพระอาจารย์ครับโปรดให้ความรู้แก่พระบวชใหม่หน่อยครับอพระบวชใหม่ว่าจุดแรกที่พระเจ้าพชรจะให้สอนให้ก็คือธรรมฐานหน้า นขณะพิจารณาร่างกายเรื่องต้นแต่ผมกนเนันนัเนื้ออ็กระดรถ้ามันก็บอกาการสาสอีต่อเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามก็จะระดับการมาลงได้นการศึกษาพระบรมและก็มีข้อห้ามข้อที่พบมนนทมไม่นคนทำก็จะ้าวเสร็จไม่วนคือการไปง่วงหลับนอนกับที่การนอน การฆามนุษย์สามการการรักทรัพ hmm. ย mm ์หกห้าสี่การโอนิตเทรเตมนเศษที่ได้เปนน่อเื่องใน่าพภาพสื่อชุดลูกที่บวชหมายต้องเรียนสิ่งของนิทันดีแล้วกมีสีทอดที่เป็นเกียรติพึงประทำของภาพเรยินบาร์วินชีวินภาพลังสุกิน อยู่อยู่ตามคนมเลยอยู่ตามป่าตามเขาสอขันยานองน้ำมุดเป็นยาเวลาเจ็บไข้ได้ส่วนก้ใช้ยาดองน้ำมุม ด, ายยาดมที่เป็นริ่งที่ทเราได้สอนภาพหบบใหมที่นี่นงคำถามต่อไป คำถามต่อไปจากคุณตรีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลังจากที่ปฏิบัติภาวนาจิตอยู่ในศีลห้าช่วยเก็บขยะที่สวนข้างบ้านดูแลบ้านแฟนน้องหมาตัดทางโลกได้อยู่ในโลกของตัวเองชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากๆเจ้าค่ะและได้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเช่นปลดหนี้มีเงินมีทองเข้ามา อย่างไม่คาดหวังขอหลายสิ่งมีคนเอามาให้โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนคำถามคือนี่หรือเจ้าคะที่พระพุทธท่านตรัสให้อยู่ในศีลธรรมภาวนาแล้วทุกคนจะได้รับผลประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าคะกรอบขอความเมตตาเจ้าค ะ, ะคุคนก็ได้เห็นเดี๋ยวป่าวนแล้วไม่น่าจเมาถามอะไร คำถามต่อไปจากคุณสุพันกลาบนมั ส, สการพระอาจารย์ขอถามเจ้าคะ่ะวันก่อนข้าพเจ้าถูกแก๊ง c เซ็นเ n อร์ด่าข้าพเจ้าเผลอด่าตอบคำหนึ่งแล้วนึกว่าตายแล้วนี่เราเสียท่าแก๊ง c เซ็นเ n อร์อุตสาหอดทนมีสติสติไม่มีเลยเสื่อมลงข้าพเจ้าจะต้องฝึกหัดด้านไหนให้มาก ๆ, ๆเจ้าคะ่ะสตเนี่ย เวามันมีสติเวลาก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรต้องคิดให้ได้ก่อนมันก็มันจะพูดดีนั่นไม่ดีถ้าไม่มีสติมันก็จะปล่อยออกไปเลยแต่ถ้ามีสติมันก็จะมีการกรองขั้นหนก่อนมีการกรอกก่อนเรียจะพูดก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้รอบๆถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่คิดมันก็จะปล่อยพูดออกไปเลยแต่ถ้ามีสติแล้วมันก็จะมันก็จะยับยั้งไว้ก่อน คิดเสนอก่อนนะครับคุณคำถามต่อไปจากคุณทรีพระอาจารย์เจ้าคะถ้าโพสต์ธรรมะไลฟ์ธรรมะแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากชีวิตตัวเองการเปลี่ยนแปลงของตัวเองผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างตั้งใจจนเกิดผลที่จับต้องได้ตรงนี้คือกิเลสความอยากของตัวเองหรือเปล่าเจ้าคะ มันก็อยู่ที่ว่าเราเสร็จจิตของเราหรือยังถ้ายังไม่เสร็จจิตของเราก็อย่าเพิ่งไปทําหน้าที่อย่าเพิ่งไปสอนคนอื่นทําจิตของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าไปอยากสอนถ้าอยากสอนก็แสดงว่ายังเป็นกิเลสสอนเพราะว่ามีคนเข้ามาขอร้องให้สอนค่อยสอนเขาได้ คำถามต่อไปจากคุณออนเดอะร็อกคนที่ใช้กัญชาสามารถทำสมาธิได้ไหมเพราะที่อินเดียก็มีการดูดกัญชาแล้วทำสมาธิครับผมสงสัยตรงนี้ครับไม่ได้หรอกกัญชาเหมือนโลาร์เจ็บเพราะไปนั่งจิตมันก็จะไม่ค่อยมั่นคทงทำไปก็ไม่ได้ผลง่าย คำถามต่อไปจากคุณอูเรียนถามพระอาจารย์ทำไมการฟังเพลงสามารถทำให้ใจสงบได้เหมือนกันเจ้าคะบางทีท่องพุทโทไม่ได้ฟังเพลงก็ช่วยได้คะ่ะอ๋อมันไม่สงบเต็พี่มันสงบย็หน่อนใช่คำถามต่อไปจากคุณสุขทุกอยู่ที่ใจจิตเป็นอนัตตา แล้วทำไมเรานั่งภาวนาแล้วจะสามารถคุมไม่ให้มันมีความคิดได้กราบนมาสการครับก็คุมได้เป็นพักๆไปแต่คุมคุมมันไปตลอดไม่ได้คำถามสุดท้ายจากคุณชินจิตสุกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับสีเลนะโภคะสัมปทาโภคะในบทนี้หมายถึงรั์แบบไหนครับขอบคุณครับ็โองพูดัพย์ ของที่เราบริโพคผู้ค้าก็เป็นของที่เราบอิโภคเราบริโภคอะไรอะใช่ไหปัจจัยส่ก็เป็นโู้ค้าได้อาหาเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพี่รถใส่นูนบริโภคบริโภคขอนี่จำเป็นต่อการดำรงชีพ้อยนะ่อคนถามหมดแล้วเจ้าคะ่ะโอเค ทัหมดแล้วก็คิดว่ายุติกัร น, นะขอมันกใกล้จะหมดเวลานะอขอให้ท่านโจ้นําม อ, อกเ ส, สียงที่ท่านจะยินไม่ฟังไปยินดีที่จะนาไปปฏิบัติเรื่อพากจบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ขึ้นไปเ อ, อ